กินไปเรื่อยๆก่อนนะกินเรื่อยไปเรื่อยเขาเสร็จแล้วสีจานนี้เท่าไรจานนั้นเท่าไรนั่งเท่าไรรีดเอารีดเอารีดเอาแพรกแพรกแพรกหมอในเมืองก็หมอมันาน่าต่างกันอย่างนี้นี่เป็นหลักความจริงเราไม่หาเรื่องจิตวิทเรื่องของมันจันอย่างนี้เือหมอได้ทุกวันนี้กลายเป็นกอบเป็นผีไปพอเห็นคนไข้ก็มาโรงพยาบาลแล้วว่าวันนี้อาหารร้างเกิดแล้วไปรับสารนั่นนะออืมันไม่มีความเมตตาอะไรทุกวันนี้เพราะท่านพยาอยากจะเป็นหมอเป็นหมอ เพราะมันเป็นหมาได้ง่ายเข้าใจไหมรีขู่จีนตลอดเวลาไม่มีสนใจในเรื่องอัดเรื่องทำเลยเวลานี้จิตใจของหมอเนี่เหือดแห้งมากที่สุดเราพูดจริงๆคงกงไปโรงงานเนี่ยเราเคยพูดพูดกับหมออย่างนี้เหมือนกันถ้าเราจะพูดแล้วเราไม่มีะโซ่ตรางเราจะต้องพูดประจามเผชตามผลหลักเกณฑ์เทนั้นแหละอัดทำเป็นอย่างนั้นทําไม่ได้พูดอ้อมแอ้มว่าแอบโจมฉุงเราเรื่องเก่งๆนั้นนั้นเรื่องที่ดีนะโทรศัพท์ออก หาภาษาไม่ได้ประดับประดาหน้าร้านให้สวยมาข้างในมีขี้หูร่าขี้หมาแห้งแต่สำหรับคำแล้วกลงไปกลงมาเป็นภาษาที่สะอาดภาษากลงไปกลงมาคือภาษาคำภาษาที่เรี่กนิสกรกโป่งน่าที่สุดเป็อย่างไรเวลาที่เรืมันเต็มไปเรื่องทเรศนี่เพราะมันทักงโงกรกไปที่ไหนมีแต่ความแตร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองหาความสุงไม่ได้ไทยอยู่ที่ไหนดีที่ไหนไทยว่ามีความสูงนะหาคันมสูงไม่ได้นะ มันประลาดประางเฉยนี่ทางจิตใจมันเป็นฝุ่นเป็นไฟเผาไหม้นเชื่อความโลภราคะตังหาความโกรธเนี่ยเต็มไปอยู่ในหัวใจบีบบังคับอย่างนั้นเอาความสุขมาแส่หงานกัเราสิ่งภายนเรานี่มันไม่ด้มีความสุขความทุกข์อะไรดังใจอยู่ในหัวใจของคนตางหากเนี่ยคนฟ้าร้อนก็ร้อคน้าเยย่างเย็นถ้ามีสมาธิแล้วเย็นถ้าไม่มีสมาธิแล้วไปไหนก็ไปเจอใครว่าเป็นมหาเจดถือก็ต่นั่นึ้นมหาเถรุชุกอยู่ตวกนั้นแ่ะตรงเชื่อมหาเจดีย์ความโลภความากทุกสิ่งทุกอย่าง มีอยู่ในนั้นหมดเรื่องราวเต็มในนั้นหมดเมื่อเรื่องราวเต็มในนั้นกอทุกข์ตรงนั้อยู่ในนั้นได้อย่างองทุกข์ต้องเต็มในนั้งหมดนั่นแหละนี่เราหลักวามจริงของศาสนาท่านท้านไหนอยากฟังศาสนาให้ฟังเยอะนี่ภาษาศาสนาภาษาธรรมะท่านพูดอย่างโกงไปถงมานี่เราโลกเมื่อเราภาษาศาสนาคือว่าเป็นน้ำที่สะอาดชาล้างถิ่นที่โสกโปกขี้เลรมันโสก็ปกมากมันเลือกพูดตามความจริงเนะจริงนะที่จะลองลองต้มขุนเป็นเรื่องที่ออก ถ้าทิงอะไรที่กงไปกงมาเนเรื่องของธรรมแต่ทำไม่ค่อยจะออกนะมิแต่ที่เรื่องจรตลาดเต็มบ้านเต็มเมืองคนยังทุกข์ร้อนกันมากไปอยู่ในเมืองไหนเมืองไหนใครจะมาพูดวดว่าเมืองนั้นจะเริ่เมืองนี้จะเริ่มันจะเริ่มจจะปูนจะหินจะทรายขัวจะเป็นศวใดเรื่องใหมดเพราะมัมีธรรมอยูเพื่อุบเดี้ยนี่ยังดีเมืองไทยเรามีพุทศาสนามันมีรากหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่บ้าง ถึงจะเป็นเมืองเล็กืองน้อยก็าตามว่าไม่เจ อ, อกปก า, ามไม่เจอในสายตาของเพื่อนทหารแต่เจอในสายตาของธรรมเองไทยเรามัต่างกันอย่างนี้นะอัที่ว่าเจริญอย่าไม่นี่จะคุณจะฟหวเที่ยงเอาตัวรอดเป็นยอดคนเอาตัวรอดเป็นยอดคนเอาตัวรอดเป็นยอูก ม, มันไม่ได้ว่าอย่างนี้นะดูโลกแล้วมันจะดูไม่ได้เวลานี้ศนาะสนาจะหมดไปหมดไปจากหัวใจของคนมีแต่กิเลสตีสลาดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเวลานี้ มีเสกสรรปัญญเรื่องกิเลสทางนั้นเรื่องเจเศษสรรปัญญ์ทำมาไม่ค่อยมีไม่ว่าที่ไหนๆแม้แต่ที่วัดในวัดก็ไม่มีหาจะไม่เจอบวชข้ามาเพื่อสังเพื่อชำระสัารกิเลสมันกลับเข้ามาบวชเข้ามาเพื่อสังสมกิเลสไม่ว่าขอว่าเราเหมือนกันหมดนะเรื่องเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้นะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าสอนสอนเพื่อชำระกิเลสบวชเข้ามาเพื่อชำระกิเลสปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสไม่ได้มาบวชเข้ามาเพื่อสังสมกิเลส ปฏิบัติเพื่อสังสมกิเลสอย่างสมัยปัจจุบันนี้กิเลสเขาไปตีกรดในวัดในวาในพัดในเนินเต็มบ้านเต็มเมืองเราจะไม่เห็นกันเลยถ้าไม่เห็นต้องเอาธรรมูเช่ามาสองบ้านสิถ้าสอนแล้วจะเห็นหมดข้อความจริงมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองทุกแห่งทุกหนไม่ปิดบงังนอกจากมันหลับตาเอากิเลสทาหลับตาดูหลับตาพูดหลับตาสแสดงทริยามายาติ่อกันเท่านั้นท่านทาแสดงแล้วโลกนี้จะเย็นเรือ่องนี้ศาสนามันจะไม่มีแล้วนะ มีจะ้าเหลืองถ้าเป็นทาพอดีไม่ว่าท ah ่านว่าเรามันพอพอกันอ่อกลุ่มคนผมกลุ่มใครก็โกลนได้ทาเหลืองใครก็ผมคุมได้นตลาดยิ่งมากแต่ความประพฤติปฏิบัติมันไม่ได้สนใจในธรรมยิ่งกว่าสนใจในกิเลสเท่านั้นะเรื่องอะไรเป็นเรื่องกิเลสจะแสดงออกมาก่อนออามาก่อนไม่ว่าในชาวบ้านชาวเมืองไม่ว่าชาววัดชาววาพลาเหน่งมันจะแสดงออกด้วยอำนาจของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าจะแสดงด้วยอำนาของธรรแล้วโลกนี้ต้องเห็นเพราะธรรเป็นเรื่อง ทำโลกให้เหย็นมานานแสนนานผู้เยี่พระองค์ได้จัสรูปมาเพื่อโรคโรกเหย็นเท่านั้นและสอนโลกให้โรคเหย็นข้อศาสนาค่อยหมดไปที่เดียดเหยียบย่ำเข้ามาเหยียบเข้ามาโรคร้อนพอร้อนเขาเวลานี้เมืองไทยเราเนี่ยเฉพาะชาวพุทธเราเนี่ยกําลังเริ่มร้อนนะเวลานี้ ร, ร้อนเป็นพื้นเมืองไทยเดือดร้อนกรโดดตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ายันค่ำยันค่ำวิ่งหาตั้งแต่ความทุกขได้มาไม่เหลืความทุกข์เต็มโหัวอกเต็มหัวอกอย่างนี้ด้วยกันเท่านั้นนะการตกแต่หน้ารานตกแต่งได้ที่เดืยดชาตกแต่งทาไมจะตกแต่ไม่ได้ แล้วตกแต่งหนหัวใจมันมีใครตกแต่งอะไรให้มีความพสุขร่มเย็นบ้างเวลานี้ปืนไปกําลังเผามาอยู่ในหัวใจความโลภก็เผาความโกรธก็เผาราคะตัณหาก็เผาเผาจอเวลาเรื่องสิ่งที่จะระงับดับสิ่งเหล่านี้มันไม่มีแล้วจะให้ไฟมันดับได้อย่างไรสเสริมเอาเชื้อเสริมไปก็ไปเรื่อยๆน่ะมันก็ร้อนน่ะสิร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เต็มไปหมดนั่นแหละ มันโสดังเล่นนะท่าจะว่าบ้าตามหลวงตาเนี่ยพูดอย่างโกงไปโกงมาตามภาษาธาารรมะพอบวชมาก็บวชเพื่ออัดเพื่อทำปฏิบัติปฏิบัติอัดทำเขาปฏิบัติเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มกําลังความสามารถขาดดิ่งหัวใจจะขาดขาดไปพอให้ทําไปครองใจก็พอนี่ปฏิบัติามาอย่างนั้นเต็มกําลังความสามารถจนมาะรั่งวมาเต็มเหนี่ยวแล้วที่นี่ เอาให้มันเปิดให้โหโอ๋ให้ท่านทั้งหลายตังเสียว่าเอาเต็มเหนียวแล้วว่าไงสั้างจะออกจากการเรียนธ่าัเราขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสในป่าในเขาในถ้ำหัวผาอยู่ในป่าท่าป่าโลกครับด้วยมาไม่ได้สนใจคอเป็นความตายสนใจตั้งแต่กิเลสกับเราใครจะตกเวทีเอาถ้ากิเลสเก่งให้กิเลสอยู่เวทีแล้วตกเวทีถ้าเราเก่งให้กิเลสตกเวทีธรณนับฟาดกันเลย เอากันเต็มเหนียวต้องขอไปเก้าปีเต็มๆไม่ได้มองเมฆมองหมอกตามีหูมีจิตมบูรณ์จะดูผู้หญิงผู้หญิงนี้ไม่ดูเข้าใจไหมดู ผ, ผู้หญิงซึ่งเป็นข้าศึกต่อพรหมจันทร์นั้นอะ่ะไม่ดูนอกจากมองผ่านไปเห็นเห็นเขาตั้งก็น่าจะดูนี่ไม่ดูข้ามขนาด น, นั่นล่ะห้ามหัวใจดัดสัญญาณในขนาด น, นั้นหูก็ไม่ฟังท้าเป็นเสียงไหนที่จะไปเกิดเพื่อเกลียดแล้วไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังตัดออกตัดออกกระดองอยู่นี้เป็นเวลาเก้าปี เมือติีคู่กติ ด, ด, ตดตาณทั้งเป็นเขาตีคู่เขาเป็นนักโทษเขายังรับทานข้าวหรือ ก, กินข้าววันละสามมือม้อสี่มื้อเราเนี่ยกี่วันที่กินบินสะบัดกี่วันพระครินสะบาดกีหนึ่งจนกระทั่งเขาตีเกาะประชุมกันพวกชา ว, ชาวป่าชาวเขาเข า, ขาตีเกาะประชุมกันดูเราเขาเนื่ยวันเราตายแล้วเพราะกี่วันไม่บินสบาดไม่ฉันเพราะน้ำกัดกิเลส อ, อยู่ไม่ถอยเขาตีเกาะประชุม ไม่เป็นยังไงถ้า อ, องค์นี้มาอยู่กับพวกเรามานี่กี่เดือนแล้วนี่มาเนี่มาอยู่นี่ห ล, ลายเดือนแล้วไม่เห็นมาบินสบัดเลยหายเงียบหายเงียบมาตลอดตั้งแต่มาอยู่นี่ท่านไม่ตายแล้วเถอะพวกเรารับทานวันหนึ่งสามือ้อสี่มื้อเราทะเลาะ ก, กันได้นี่ท่านกี่วันท่านถึงมาบินสบัดแล้ว็ติเกาะไปประชุมกันนะปฏิเกาะ ป, ประชุมแล้วไปดูท่านนะเป็นยังไงถ้า อ, องค์นี้อแต่เวลาไปดูเขามีพ่อแม่ก็นหนึ่งนะเรายังไม่ยืมนะ เขามีข้อแม่ปนึนนงแต่เวลาไปให้ระวังหน้าเข้านี่ไม่ใช่พราสบดาจะเป็นมหานะวันเดียวไปสันเขขลงคิดมันงเขาพูด่างแล้วไปก็ีแห่กันมาแล้วมาอะไรเนี่จะมาแห่พระเวสสันรนเข้าเมืองหรือเราไม่ใช่พระเวดนะว่าไม่ใช่เขาก็เลยมาเล่าเรื่องให้ฟังเราเรื่องให้ฟังเขาว่าผู้ใหญ่บ้านตีเกาะประชุมกันให้รูปบ้านมาดูผู้ใหญ่บ้านไม่กล้ามากล <c oughs> ััววาาว่่าา้นออไมมลแะะร มาเห็นเขาจะเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละอย่างที่เล่านี่แหละพอเสร็จแล้วแล้วเป็นยังไงคือเขาว่าท่านตายแล้วยังเขาไปอยู่ให้มาดูแล้วเป็นยังไงตายแล้วยังนี่เอ๊ก็ไม่เห็นท่านตายท่านดีๆนี่เนี่นี่ให้ทราบเว่าการอดอาหารเนี่ยเราอดเพื่อความเพียรจะฆ่ากีเลสต่างหากแล้วเราไม่ได้อดเพื่อจะฆ่าเรานะนี่แล้วก็แก้ผังงานเสือแล้วมีอะไรอีกล่ะท่านมโหสถอยู่ในเวลาท่านอดอาหารหิวมาแล้วมากแล้วแล้วเป็นยังไงแล้วมโหสถอยู่ไหม แล้วเราก็ถามตรงนี้แล้วแม่ท่านเห็นยินยน้มแย้มแจ่มใสท่าไม่เห็นโบโาะนั่นแหะให้รู้ว่ากิเลสความเตลโมโหโศกคือกิเลสเราจะฆ่ากิเลสตัวนั้นเราจะโบโหะอะไรเพราะว่านั้นมีแค่นั้นหรือพีนั้นไปไล่ายังไม่ถึงสิบนาทีไล่แต่คือเลยนี่แหละเวลาเราประกอบความภาคเพียรเอาถึงขนาดนั้นทีเดียวเพราะนั้นนิมมังฆ่าสามารถมาพูดแต่พี่น้องทั้งหลายฝังยางอกอัดเจ้าหานชาญชัยไม่สระทบกระทนในสามเดือนเราก็ท่านีเูเราเหยียบหมอนไปหมดแล้วเรื่องของกิเลสที่พูดในมุกโกงฟาดถึงเก้าปี ยังได้ลงจากเวทีเผาโชกิเลสเรียบร้อยในหัวใจนี่ว่างหมดจากกิเลสไม่มีอะไรเหลือแล้วถึงโอ้ยังไม่ลงจากเวทีหมูเ่เพื่อนเกาะเพิ่เลยลูกทิ้งลูกหาเกาะเพิ่มตั้งแต่บัด น, นั้นมาจนมาสร้างวัดนี้ทําประโยชน์มาได้สี่สิบเก้าปีทำประโยชน์เรื่อยมาเรื่อยมาแลเวลามาสร้างวัดนี่ก็เป็นอนาสร้างประโยชน์ควาอมกันเลยประชาชนอะไรเข้ามาติดต่อขอเรื่องรงร่าลงเรียนเอาสร้างให้ลงร่ำโรงเรียนสร้างไม่รู้กี่หลัง เงินมีเท่าไหร่ทุ่มไปหมดเราไม่เคยเก็บแม่สตางในวันนี้ไม่เคยเจ็บเงินสร้างโรงนําโรงเรียนจากนั้นกคนทุกคนจนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่งางๆที่มีความจเป็นมาติดต่อขอเราพอให้ให้ให้ให้ให้จากนั้นก็กล้าวสู่โรงพยาบาลก้าวโรงพยาบาลนี่นี่อันนี้พิสดารมากนี่เป็นเป็นร้อยโรงแยาบลเราเวลาเนี้ยโรงพยาแต่ละโรงพยาบงลนี่เป็นล้านล้านล้านไม่ใช่ธรรมดานะโรงพลห้าสิบล้านก็มีเช่นอย่างโรงพยาบาลอุดรเนี่ยคิดดูสิ่น่นะ มี่เราลงมากที่สุดคือเราช่วยเต็มเหนี่ยวเลยเพราะโรงนี้เป็นโรงโรงยนสูงเป็นจุดศูนกลางเราจึงให้เครื่องมือพร้อมพร้อมพร้อมเลยแต่นั่งนี่อะไรเรียวกว่าตั้งเก้าปีลงไปแล้วเขาสูบกิเลสเรียบร้อยแล้วหัวใจนี่ว่างแล้วจากกิเลสทั้งหลายไม่มีกองทุกข์ที่จะมาเกี่ยวข้องกับหัวใจนี่อิจฉแล้วมีตั้งแต่บุรุมาสู่คลองอยู่ที่หัวใจมาในสี่ที่แปดปีถึงเก้าปีนี้แล้ว ไปี่นี้เราถึงได้เปิด ก, กับ่อนเราไม่เคยเปิดเทศนี่เต็มอัดเต็มทำเต็มหัวใจเต็มปัดหมดกับบมดปอดไม่มีอะไรเหลือเทสให้โลกฟังแต่เราไม่เคยได้อโหสิ ข, ของเราออมยันว่าเราได้พอแล้วในทำทั้งหลายซึ่งเราชอบสะแสวยหาเป็นเวลาเท่าไรปีนี่ได้พอแล้วในหัวใจเวลานี้น้ำเขาเป็นน้ํากับน้ําเต็มแก้วแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มเขาอีกแล้วเราจึงหันหน้ามาสู่โลกมาเพื่อประโยชน์ของโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้บันนี้เห็นแบบเมืองไทยของเราเป็นอย่างนี้ ดังที่เราเห็นทุกคนที่นี่แหละไม่ต้องถามมันก็รู้แล้วพี่นาหาทางออกที่นาทางไหนมันก็ไม่ได้ทางไหนทำไมได้ไม่ทางปิดอันอ่านตู้ไปหมดแล้วทำยังไงก็หมุนเข้ามาหาหลวงตาบัวหลวงตาบัวนี่เป็นที่แน่ใจมั่นใจที่สุดสับตัวเองในเรื่องสุดจริตยุติธรรมนี้เราไม่มีอะไรสงสัยแล้วรับพอทุกอย่างแล้วเราไม่มีอะไรที่จะแบ่งสันปันส่วนเอาจากพี่น้องทั้งหลายที่นําสิ่งของมาบริจาค แล้วมาเป็นของตนนี้เราไม่มีในความจ่ายแล้วนอกจากความเมตตาโน้มน้นเท่านั้นเพรา ะ, ะนั้นเราถึงได้เปิดอกช่วยบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้นําในการบริจาคเพื่อช่วยชาติของเรามีเท่าไรเราจะหมุนเงินเหล่านี้เข้าคลังหลวงหมดเข้าคลังหลวงหมดมีกี่ประเภทพวกทองคําพวกดอนล่ า, นนาพวกเงินสดเหล่าเนี้ยเราจะจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวไม่ให้มีอะไรเหลือเลยเรารับผิดชอบทั้งหมดการเงินการทองจะเป็นผู้ที่ขาด การเจ็บการรักษาการจับจ่ายอะไรลๆนี้เราจะเป็นคนสั่งที่ขาดด้วยความไว้ใจของเราที่นี่เวลาได้มาแล้วนี่ควรจะเข้าโยกจุดไหนจุดไหนที่เป็นจุดที่ปลอดภัยเพื่อชาติบ้านเมืองของเราจริงๆแล้วเราจะปล่อยเข้าจุดนั้นจุดนั้นเราจึองในธรรมเนี่ะเวลานี้จันได้ประกาศตนเป็นผู้นำให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเริ่มมาตั้งแต่วันที่22เมษายนจนกระทั่งบัดนี้แล้วเอาจรินเอาจังเราไม่ได้ทํำเ ล, เล่นๆนะ เราปฏิบัติตัวของเราก็ทำอย่างนี้ข้าีิเลยจะบอกว่าที่เด็ไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นที่ชายเป็นคู่แข่งกันในนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วในชาตินี้เป็นชาติที่เราจะฟัดกับกิเลสให้เต็มเ ห, น, เหนียวเอาจนกระทั่ทงถึงว่าประกาศตนออกได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วต่อไปนี้เป็นชาติสุดท้ายยุติกันแล้วเรื่องการเกิดการตายหาปองหามปองทุกมาตลอดเวลานี้ตั้งกับทางการ น, นี้บัด น, นี้เป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราในการหาปองทุกตลอดเพราะกิเลสคนมาทุ่มใส่หัวใจเรา แล้สลัดกิเลเหลือแล้วก็สลัดกองสุ ข, ขออกความกันนะที่นี่มีแต่บรุรุษปศุคาม ข, ข้าใจแล้วเราจึงสอนโลกเด่นเดียวด้วยความเมตตาของเราเราจึงไม่มีอะไรเกี่ยวกับโลกนี่เรามั่นใจตัวนี้เราจึงนําตัวออกประกาศเพื่อเป็นผู้นําของชาติบ้านเมืองของเราเอาใครจะเชื่อเขา เ, เชื่อบ้านเมืองของเราเป็นยังไงเวลานี้นี่บรรดา ป, ประชาชนทั้งหลายทั่วพี่น้องชาวไทยนีย่ทุกคนมอบหัวใจ ด้วยความไว้วังใจมาให้เราคนเดียวเป็นผู้รับเรารับผิดชอบในหัวใจพี่น้องทั้งหลายด้วยความไว้วังใจนั้นแต่ผู้เดียวเราจึงต้องทําให้เต็มความสามารถของเราเอาหัวใจขาดดินี่จ้าเพราะฉะนั้นจึงได้ปลุกหัวปลุกใจพี่น้องแา่ตอนนให้ตื่นนะเวลานี้ถ้าคราวนี้เป็นคราวสําคัญมากเป็นค้าหัวเรี่ยวหัวต่อของชาติไทยเราหากว่าคราวนี้เราผ่านพ้นไปไม่ได้หรอย่างน้อยตั้งตัวไม่ได้แล้วแล้วเอาตัวรอดมาได้แล้วจะไม่มีคราวไหนนะว่ะ ที่จะได้ทำดใหญ่ตัวขนาดนี้ในนี้เราทุ่มในกําลังความสามารถของเราเต็มแม้เต็นหน่วยซึ่งเราไม่คาดได้ฝันเลยว่าเราจะช่วยโรคแบบนี้แต่เราก็ได้ช่วยไปแล้วยิ่งต้องได้ประกาศตนออกมาด้วยความบริสุทธิธรรมที่สุดต่อหัวใจที่สร้างชาติทั้งหลายด้วยความเมตตาอย่างยิ่งจึงได้ทําอย่างนี้แล้เรื่องราวมันก็มีเท่านี้ละ ว, วันนี้ท่านพี่น้องทั้งหลายมาเยี่ยมหลวงตาบัวได้เห็นรวดเรานล้วจะบัวปเป็นยังไงบ้างวันนี้สมควรจะเป็นผู้นําได้ไหมอพิญญาคือ พี่น้องชาวไทยเราสมควรที่จะยอมรับเป็นผู้นําได้ไหมพี่ไปพิจารณากันแล้วกันเราเปิดอกให้ฟังหมดแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะประกาศตนเป็นผู้นําที่พี่น้องทั้งหลายเราเปิดอกโอกให้ฟังซะวันนี้ก็จะมีอยู่นี่เป็นเวลาขึ้นเวทีเข้าใจไหมขึ้นเวทีนั่งมวยเขาต่อกันบนเวทีเขาต้องต่อยแบบนานหมุนตีอุ้มจิ้วตืเลย พอลงจากเบทีแล้วก็เป็นคนธรรมดาที่นี่เราพูดอะไรก็พูดกันได้แล้วไม่มีอะไรหรอะเวลาขึ้นเบทีก็ต้เป็นอย่างนั้นเวลาลงจากเบทีแล้วก็เป็นอย่างนี้เแต่จะขอกราบอุทิศดตาบางเรื่องแต่ต้องขออภัยเพราะว่าความรู้พลาก็ต้องกราบขออภัยที่ผ้อันนี้คุณหญิงครับคุณหญิงที่มาทัมลาดกับเอาเอาว่าคือว่า โครงการทั้งหมดนี่สินประเทศมันไม่ใช่น้อยๆนะทุกค <ไอ S 2> นเป็นแสนล้น <ไอ S 2> ล้านไม่ทราบว่าว่าหลวงตามีโครงการนโยบายยังไงอ๋อโครงการยังไงให้เราดูมาหาสมุทรทะเลหลวงเขาไปขนน้ํามาจากไหนมาเต็มท่องตามมหาสมุทรทะเลหลวงนั้นเขาออกมาจากไหนเขาเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมหาสมุทรได้อันนี้ชาวไทยของเราสมันกัน ถึงจะเป็นมหาสมุทรในเมืองไทยเราก็ตามกําลังความสามารถของเมืองไทยเราเหมือนกับผลตกที่เราอยู่ลยอะต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างช่วยแล้วมันก็เต็มตื้นโดยน้ําได้เหมือนกันเคาใจหรือเปล่าล่ะต้องเต็มได้<ช>นอกจากว่าต่างคนต่างจะปล่อยแล้วก็ จ, จมจมจมได้จมในอย่างง่ายดาวยิ่งกว่าจะพื้นให้ต่างคนต่างพื้นและได้ที่มีลุงตาบอกว่ากิเลสมันร้ายากาศนะฮะ กิเลศนี่เลยกิร้ายกาศครับผมอิเลดร้ายกาศนะเนี่ยเจ้าคะแล้วคนจะสู้ไหวเลย้าคะจะสู้กิเลศเพื่อจะถ้าสู้นั้นถ้าสู้นั้นก็เหมือนกับกนักมวยขึ้นเวทีถ้าเราอ่อนเขาก็ต่อยเราตกเวทีถ้าเราแข็งกว่าเขาเขาก็ตกเวทีเหมือนนันเราต้องสู้ยังไงต้องสู้ซะก่อนเหมือนนักมวยขึ้นเวทีไม่ได้เอาแพ้เอาชนะกันก่อนต่อยละต้องขึ้นต่อยซะก่อนซะก่อนเขาจึงเอาความแพ้เอาชนะที่หลังนี่เราจะไปรอดหรือไม่รอดนี่เป็นความพิคาดหมายไว้ต่างหานี้เป็นลงเป็นแรงเดี๋ยว จะมีสิงยั่วยวนก็มาหลอกให้เราอ่อนใจนะเราทำไม่ได้ถูกตกลงก็แพ้ก่อนขึ้นเวทีใช่ไหมได้เลยต้องให้ขึ้นเวทีวก่อนนักเบาแพ้ชนะต้องให้ขึ้นเวทีวก่อนรู้กันในบนเวทีนั่งมวยเขารููกันอย่านี้เราจะไม่สอยแพ้แล้วใช่ไม่ได้นะเราต้องสอยกอ่อนอืเ็นออมีอะไรถามก็ถามเลยเอาถามมาเลยถามมาเลยเปดิดออกให้โคร ง, งการที่ว่าเนี่ย วิธีการจะทำํำไงเพราะคนบริจาคมาแล้วเนี่ยอหอหลวงตาจะใช้นี่ให้ประเทศใช่ได้เขนาดเราใช้ขนาดน่นะใช้จนพอเมืองไทยเรา <c oughs> มีคสักสี่คนหกสิบกว่าล้านชุกต่างคนต่างช่วยคนปะโยชน์ระยาดคนปะโยชน์ระยาะยดยา <c oughs> เหมือนกับเรารับทานเรารับทานคําเดียวไม่อิ่นนะคําเดียวไม่อิ่ ง, นะองสองคำเข้าไปสามคำเข้าไปสี่คำเข้าไปเอาก็ตั้งจนอิ่มได้ด้วยอาหารเป็นคำคำ อันนี้ด้วยที่เราช่วยเป็นจริงๆจริงๆช่วยมาอยู่ไม่ถอยมันก็เหมือนป้อนอาหารให้ท้องล่างมันเต็มมืงเองไม่ผิดกันแต่จะคอยให้ครบจํานวนก่อนเราไม่ต้องคอยเราช่วยไปเรื่อยเรเราไม่คอยเรื่องความครบนั้นมันจะอยู่กับความดําเนินของเราไม่ได้อยู่กับความคอยนะความคอยไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าไปคอยกันนะ <expression> า ก, นการ <ản> ดําเนินเนี่ยเป็นทางเดินที่ที่จะให้ความอิ่มพอเกิดขึ้นในประเทศความคอยยี้อเฉยไม่เกิดประโยชน์ แล้วทำไมถึงแยกเป็นสามส่วนจะ้ะคะว่าส่วนหนึ่งเป็นทองส่วนหนึ่งเป็นดอลลาราส่วนนึ่งเป็นเงินบาทอ๋อคือส่วนที่เป็นดอลลารานี่เราก็เพื่อใช้นี่เราจะใช้ได้เท่าไรเราก็จะเอาไปใช้นี่ทางด้านนี้นะนี่ <force S 3> ต่างประเทศออนี่ต่างประเทศนะอันที่สองคือทองคําเราไว้ให้เป็นสมบัติประกันชาติของเราไว้ที่คทังหลวงด้วยกันนั่นแหละ แล้วส่วนเงินสดนั้นได้มามากน้อยนี่เราเห็นต้องควรที่จะช่วยในจุดใดจุดใดในประเทศของเราเนี่ยว่าบุกคล้องอะไรเมื่อเห็นต้องควรแล้วว่าผู้นี้ เ, เป็นผู้ทิ่จะนับสมบัติเหล่านี้ไปเพื่อเป็นประโยชน์จริงๆไม่ได้๋ยวไว้ร่วมโจมที่ไหนแล้วเราจะมอบให้เป็นเป็ น, ปนจุดเป็นแห่งไปแลวอย่างหนึ่งถ้าบว่าเงินนี้มีมากเราอาจจะหมุนมาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนก็แลกเปลี่ยนเป็นทองคําเข้าค้ังหลวงอีกก็ได้แล้วแยกแล้วควนเงินสดนี่เรายังไม่แน่นักนะคือเราไม่แน่ที่เราจะวางลงให้จุดไหนจุดไหนแล้วจุดไหนจะเป็นที่พอใจเราปลอดภัยไม่เอาไปร่มจมเจือหายไม่เอาไปลง ท, ทะเลเสียอย่างเนี้ยเราจะมอบให้จุดนั้นถ้าว่าเราจะไม่แน่ใจเราก็ไม่มอบเราจะหมุนเงินเหล่านี้เข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์แจกชาติโดยฉัยเดียวเท่า น, นั้นไม่ให้มีทางร่มจมจากเราผู้พัฒนดาเนินงานเพราะหวัวใจพี่น้องทั้งหลาย ทั่วประเทศไทยเราในมัเดือนรานี้ได้มอบความไว้วางใจมาให้กับรลวงตาบัวบดแล้วรถตู้บดหอบดวงใจพี่น้องทลายไว้แต่ผู้เดียวนี่งก็ต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ให้เต็มเหนีวยวซะก่อนก่อนที่จะออกเคลื่อนไหวไปยังไงเราจะให้เป็นทางร่วมจมจะให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องทหลายสมความมุ่งหมายด้วยกันอยางนั้นดันนาในกระสุนแล้วคือดันน่านี้จะจะเอาเข้าเขาบอกเขาบอกว่าอะไรเอาไป เป็นเงินทุนสำรองใช้เง้นี่ทุนสำรองระหว่างประเทศเราจะเข้าจุดนี้ทุณสำรองนี่ระหว่างประเทศนะเราได้มากน้อยเราก็ช่วยไปเรื่อยๆด้วยตั้งแต่เราไปก้วนเงินเข้ามาติดนี้มาเป็นแสนแสนล้านล้านบาททำามาเราก้วนมามาได้เราจะก้วนกลับคืนมาใช่หนี่เขาทำไมเราจะกลับก้วนไม่ได้ถ้าอยางั้นเราก็แพ้ก่อนก่อนต่อยสิให้ไม่ได้เราจะเอาแต่ชื่อมาชนะไหนมวยเราไม่เป็นท่าใช้ไม่ได้ เราต้องเป็นนักสู้สิเวลเรามาเป็นความน่วมจมเจียเมืองไทยเรายังมาไม่ได้เราจะเอามาให้เป็นฟื้นฟูของเมืองไทยเราทําไมจะมาได้คนที่เขากรอบป่วยไปใส่พู้ใส่ไส้ใส่ฟุ้งใส่เถือใส่หลวงฟุ้งหลวงเขาเขายังไปได้เราก็เป็นคนเหมือนกันที่เราก้อนหนึ่งสือวี่เข้ามาหนุนเมืองไทยเราทําไมเราจะหนุนไม่ได้เราเป็นคนไทยสร้างชาตินี่นะต้องได้เอาให้ได้ทีเดียวอย่างน้อยให้ทรงตัวได้มากกว่านั้นให้สมมูรณ์ูนผลนักต่อสู้ คืเมืองไทยของเราเป็นเมืองที่จิตใจกว้างขวางมากไม่ใช่เมืองแคั่แคบติดตันนี้นะเป็นเมืองที่มีแก่ใจต่อกันเป็นเมืองที่จิตใจกว้างขวางมากเป็นเมืองเสียสลักไม่ใช่เมืองเห็นแก่ตัวเป็นเมืองชุ่มเกลืนด้วยพุทธศาสนาจึงแน่ใจว่าได้ไม่สงสัยนอกจากจะคอยชาวบ้นดังที่ว่ามนาะถ้าว่าคอยให้มสมบูรณ์คอยมันสมบูรณ์ทั้งๆที่ไม่ได้สนใจทำเลยเพื่อความสมบูรณ์นั้นมันก็ไม่สมบูรณ์มันจะจมไปเรื่อยเพราะความจมนั้นไม่คอยมันก็ทําอยู่ทุกวัน แต่ความที่สนุนนี่มันจะคอยซะก่ no น i mean อนไม่ใช่มไหมใดไม่ทันกันต้องเอาให้ทันกันใช่หรือยังไงเข้าใจปาเราที่พูดเนี่ยต้องขอภัยนั่นเราพูดตามหลักความจริงตามอดตามธรรมต้องพูดอย่างคงไปคงมาอย่างนี้สรุปแล้วถ้าใครอยากจะบริจาคนี่ไม่จําเป็นต้องเจาะจงจะเป็นดอลล่าเป็นทองหรือเป็นบบไหนก็ด้ั้งนั้นและได้ทั้งนั้งนี้จะทั้งนี้จะแป็มาเป็นประโยชน์เองแล้วทีนี้จะไว้ใจคนที่เรามอบต่อได้ยังไงเจ้าคะ ก็เป็นที่ที่มว้ใจใคไว้ใจหลงตาบัวหลวงตาบัวก็ประกาศความมือสูตได้ฟังแล้วทำไมไว้ใจมันก็เป็นกรรมของหลวงตาบัวและกรรมของชาติเองทอดเลี้ยงมอบให้ไม่ใช่เจ้าค่ะไม่ใช่เจ้าค่ะที่ฉันหมายถึงว่าหลวงตานี่ยคนไว้ใจท่านก็แน่แน่แต่ว่าหลวงตามอบต่อไปใช่นี่ให้ไอ้คนที่รับนี่ไปอันนี้เราต้องอันนี้เราก็มีข้อตกลงกันอย่างมัดแน่นทีเดียวก่อนที่เราจะมอบเงินให้นะ มีหลักมีเกณฑ์รับรองเราทุกอย่างแล้วเราถึงจะมอบให้ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์เราไม่มอบเพราะเงินนี้เป็นเป็นเงินของหัวใจทั้งประเทศสมบัติของทั้งประเทศมามอบให้เราคนเดียวนี่เราจะเป็นมอบถุงสี่จุห้าเรามอบไปได้นะก็ต้องมีข้อตกลงมีกฎมีเกณฑ์มีสักขีพยานกันอย่างยืนยันตายตัวว่าเงินนี้จะเข้าในจุดนี้แน่นอนแล้วเราจะมอบให้ด้วยความมีหลักฐานพยานเราทําอย่างนั้นนะเออเป็นยังไง เข้าใจหรือเปล่าล่ะนี่ยคิดไว้อย่างนี้ทุกอย่างคือเราจะไม่ทําพูดพลาดข้อหัวใจประชาชนอยู่นี่หมดแล้วเราจะทํำถมถี่ห้าไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จังใครเทวดามาจากไหนก็ตามถ้ามาฮัมภมันมาเนี่จะมีอำนาจเหนือเราที่เป็นเจ้าของสมบัตินี้ไม่ได้เราต้องเป็นผู้ควบคุมสมบัตินี้เพื่อชาติแต่ผู้เดียวฉทนั้นใครจะมีอานาจมาเหนือเรามาบีบบังคับเรานี้ไม่ได้ว่างั้นเลยเราไม่ให้ คอขาดแล้วก็ขาดไปเฉยแต่ความจัดความจริงที่จะให้ต่อชาติบัณฑ์เมือง น, นี้เราไม่ยอมให้ขาดแต่เรื่องคอเราขาดที่ขาดไปเฉยว่างั่นเลยเราเอาอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้ทําเล่นเวลานี้เราออกสนามแล้วออกสนามเพื่อรบรอบอะไรรบกับความจนของชาติเรานล่ะสิไม่ได้รบกับใครละรบกับความจนชาติมีหวังรอด<ะ>ชาติมีหวังรอดมีหวังถ้าเราสร้างความ เหตุความความหวังขึ้นให้ดีทุกคนทุกคนมีหวังตั้งแต่เราทำทําให้จมลงขนาดนี้เรายังทําได้แล้วนั้นจะทําให้จมมากกว่านี้ก็ยังได้อีกถ้าเราทํามันเกิดขึ้นจากคนผู้ทํานี่ก็เกิดขึ้นจากคนผู้ทําเพื่อส่งเสริมได้เหมือนกันทําไมไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เลยแสดงว่าความหวังก็ยังมีมีไม่มีไม่หวังไม่ไม่มีไม่ทําเออมันมีความหวังจริงต้องหวังมความความหวังมจรินต้องทํา มีแล้วมีแล้วก็ถามแล้วมีอะไรอีกล่ะเยอะแยะเจค่ะแต่ว่าถามเผื่อผิดผิดถูกถูกไม่ถูกต้องอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันนะตอบก็ไม่ได้รับรองว่ายังไงก็ตอบแบบที่ดผิดถูกกเหมือนกันนะต่างคนต่างให้อภัยกันแล้วกันเจตนาไปจุดเดียวกันใช่ไหมมันจะผิดถูกบางคนเมือนเขาต่อยมวยน่ะก้อยผิผิดถูกูกมันก็ต่อยแต่ว่าเขาเอาความแพ้ความชนะเป็นสำคัญอันนี้เราก็เอาความแพ้ความชนะ เรื่องประเทศชาติของเรา<ช>เวลานี้เราเราชนะความจนของเรานั่นดีอเจาา้าคะคืออย่างนี้นะเจ้ค่ะความจนเนี่ยหลายคนถวายเงินโลงตาเนี่ยด้ความอยากได้กุศลอยากได้อะไรก็แล้วแต่เหตุผลของเจ้าค่ะเจ้าคะแต่นี้ก็หให้เงินเยอะจะช่วยชาติทันทีก็ต้องรู้ว่าเป็นเงินต้องจํานวนใหญ่เป็นแสนเป็นล้านคนจนอยากช่วยบ้านจะทํายังไงเจ้าค่ะเด็กมันยังร<ด><ด>ับทานเข้าได้ผู้ใหญ่จะรับทานไม่ได้เหรอ เด็กนั้นแล้วเด็กทังรับทานรับรับทานได้เด็กจังอิ่มได้ผู้ใหญ่รับทานไม่ได้หรืออิ่มไม่ได้เหรือนี่เราไม่ใช่เด็กผีนั้นเราที่จะทั่วชาติหรือเราเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวทุกคนทำไมจะทําให้ชาติอิ่มพอไม่ได้วะเข้าใจหรืเปล่าเข้าใจแต่ไม่ท่องแท้เจ้าค่ะเออเข้าใจแต่ยังไม่ท่องแท้แล้วใช่อะไรท่องแท้อยู่คืออย่างนี้เจ้าค่ะสมมติก็จะมีเหลือตั้งแต่ไปพาไปขนฝอยออกมาให้หลวงตาองดูเอาให้เต็มเหนี่ยวแล้วมันยังจะบกฟองให้ได้เห็นทีนึงแต่ท่านั้นแหละจะทวง่นนั้แหละ ดังนั้นเขามีห้าบาทเขาก็ตาย<า>ไม่อยากจะให้เนี่ยแล้วทำไมจะจะจะไม่ได้ฝนต ก, กมันมันตกมันตกทีละองค์สององค์หรือมันตกทีละสะสองส ะ, สะหรือตัวฝนตกตกทีละหยดได้ยากมันทำํทำไมทองทําต้องฟ้ามหาสมุทรให้เส็มได้เนี่ยคนจนก็เป็นคนเงินคนจนก็เป็นเงินว่าไง5้าบาทก็เป็นเงินหบาทว่าไงสิบาทเป็นเงินสิบาทมหาเศรษฐีมีเงินเป็นล้านเขาไม่ให้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่เขาวิธีดีเงินห้าบาทเขาให้บาทหนึ่งเขาก็เป็นประโยชน์แกเขาที่ให้สิบบาทเป็นประโยชน์แกเขาคนนี้ดีกว่าเศรษฐีที่ไม่ให้สักตาเลยท่านเจ้าข้ัเนื่อ น, นขอกรบเรียนถามอย่างเพราะอยากจะได้ยินจากปากของอว่าวา ว่าคนให้ล้านหนึ่งกับคนให้ห้าบาทเนี่ยได้บุญเท่ากันนี้เจ้าคะตอนนี้มันตกดขึ้นอยู่กับน้ําใจมันกันขึ้นอยู่กับวัตถุด้วยน้ําใจด้วยผู้ที่ให้ห้าให้ล้านบาทให้โดยความเต็มใจจริงผู้นั้นก็มีอันนี้สง่ามากกว่าผู้ที่ให้ห้าบาทด้วยความเต็มใจด้วยกันเพราะสมบัติมีมากกว่ากันกําลังใจเท่ากันก็ตามสมบัติมากกว่ากันผู้ที่ให้ผู้ที่ให้มากก็ได้มากผู้ที่ให้น้อยก็ได้น้อยแต่ยังไงก็ตามเราจะเราจะไปเข้าใจว่า ท้อนนี้เล็กน้อยเลือเกินนะท้อนี้เราตักมาอยู่ไม่ถอยมันก็เต็มท้องเองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเราทํามาหยุดไม่ถอยเราจะมีเล็กน้อยก็าตามหยุดไม่ไม่ทํามาอยู่ไม่ถอยมันก็เพิ่มคนนี้ห้าบาทคนนี้ห้าบาทรวมเป็นสิบาทแล้วใช่ไหมมันแล้วคนนี้อีกห้าบาทเป็นที่ห้าบาทแล้วใช่ไหมฮั่นถ้าหลายคน ม, มาไปมันก็รวมขึ้นไปหนักขึ้นไปหนักขึ้นไ ป, นนไ ป, นไปมันก็ทําให้เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มด้วยน้ําได้เหมือนฝนตกนั่นแหละไม่ไม่ผิดอะรเลย นี่แหละก็ถ้าเวลาจะเฟื้อผูประเทศชาติบ้านเมืองแสดงควาบอดอะไรเข้ามาบมเวลาจะทำบ้านเมืองให้ร่วงจมได้มีแต่ขึงขังตึงตังด้วยกันมันจะไม่จมได้ยังไงบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นเข้าใจหลวงตา น, นี่ยังไม่เห็นเห็นจะทําบ้านเมืองให้ใครร่วงจมที่ไหนนี่นะนั่งขึงขังตึงตังลูกจะช่วยบ้านช่วยเมืองได้ถ้าไม่ลูกจินลูกหานกูจะทําไม่ได้วะอืแต่อย่างนี้ก็ใช้หลวงตาเปืองมากะใช้หลวงตาเปลืองมากจ้ะ อะไรเปลืองใช้เขบอกว่คนใช่หรือคนก็ใช้หลงตาเปลืองมากคนใช้หลงตาเปลืองมากเป็นยังไงว่าที่ตอนนี้ยังไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าอะไรอะไรก็ริจากผ่านหลงตาหลงตาต้องจัดการทั้งหมดแต่อจิตใจคนนี่มันก็อาจจะล่มได้อีกมันจะร่มได้อีก ถ้าไม่ร่ำไส้ก็ไม้อันนี้มันล่มก่อนที่ยังไม่ล่มเนี่ย <c oughs> พูดแบบนี้แบบที่ล่มก่อนที่ยังไม่ล่ม <c oughs> แพ้ก่อนที่ยังไม่ต่อยอนี่ก็แบบแพ้่ยังไม่ต่อยทางนั้นพูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเวทีก่อนให้รู้แพ้ชูชนะกันบนเวทีนะอันนี้มีแต่แพ้ะก่อนก่อ น, อนต่อยแพ้ะก่อนก่อนต่อยบ้านเมืองจมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจมไม่บอกว่าหลังมาจมไม่จมก็ตามจมถ้าเป็นอย่างนี้ ถว่าถ้าไทยนี่เป็นของเราทุกคนเป็นของเราไม่ว่าว่ากันน้อยเอาให้เต็มเหนียวด้วยกันแล้วเต็มไม่สงสัยพอย<ล>ใจหลงตาที่มากหลงตาเนี่ยมามาเป็นผู้นำหลงตามไม่ได้แสดงความเห็นอย่างนี้นะไม่ได้มีความรู้ชนิดนี้ความรู้ว่ามันอิ่มมากว่ามันหิวมากขนาดไหนจับข้าถ้ามันอิ่มถึงจะหยุดนั่นเอาตรงนั้นนะมันหิวมากแล้วเรายิ่งจะเรายิ่งจะกินมากนะ มันหิวน้อยเราจะกินน้อยไม่หิวเราไม่กินแต่นี้มันกําลังหิวมากเมืองไทยกําลังกหิวโหยท้องว่างไปหมดเลยจากสมบัติต่างๆในเมืองไทยที่จะบรรจุให้กันเพราะนั้นจึงขนเข้าให้เต็มเหนียวสิให้เมืองไทยเราอิ่มพอด้วยสมบัติเราจะได้สง่างามชาตนอกเมืองนอกเมืองนาเพื่อนบ้านเพื่อเมืองเขาจะไม่ได้ชี้หน้าด่าทอเราให้เสียเหกียรของเมืองไทยเราเมืองเกียรติของเมืองไทยแล้วหน้าตาเป็นน้ําพันนะแม้แต่เด็กเขาก็สมควหน้าตาของเขาไปชี้หน้าเขาดุเขาด่าเขา พอเขาดูถูกดูดิ่งเขาต่างๆนี้เดี๋ยวจะร้องให้ต่อหน้าทันทีเลยนะนี่หน้าคนไทยเราทั้งประเทศนี้จะให้คนเพื่อนบ้านเข้ามาที่หน้าด่าทอว่าเมืองไทยที่เป็นเมืองไม่เป็นท่าเป็นเมืองอ่อนแอแพ้ก่อนชนะโอ้แพ้ก่อนขึ้นเวทีอย่างนี้เป็นยังไงบ้างไทยเราหน้าไหนจะมีหน้าแม่หน้าหลวกระบัวก็ไม่ไม่เว้นถูกเขาด่าทอแบบเดียวกันแล้วจะเป็นยังไงจะเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหน้าไหนจะมีแตหน้าถูกถูกด่าทอเพราะั้นเราตึงกัน หน้าที่ไม่ไม่ไม่ไมถูกดาคอนี้ฟาดจะลงไปให้เต็มเหนี่ยวเอาขึ้นเวทีก่อนวางั้นเลยอื้งทัดจนเต็มเหี่ยวใครแ<ห>พ้ก็จะน่ากันรูก้กันตรงนั้นให้รู้กันตรงนั้นเอาให้รู้กันตรงนั้นเวลานี้เรากําลังก้าวขึ้นสู่เวทีอย่ายอมแพ้ก่อนขึ้นเวที แล้วคนที่เขามาชมมวยนะเขาจะเฮเอาหลงธิดานะจะไม่บอกนึกว่าจะมาดูมวยจะแพ้ชนะแล้วแล้วไปเซ็นแพ้ให้เขาแล้วยังไม่ขึ้นเด็ดฉีที่โอ้ยเขาชี่หน้านะชี่หน้ายิ่งกว่าเพื่อนบ้านเขามาชี้หน้าเมืองไทยแล้วนะอืออเอาให้เต็มเหนียวจะถอชาติมันจะเรื่องเล็กน้อยชาติมันจะเรื่องเล็กน้อยชาติเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่จุดเลยต้องเอาให้เต็มเหนียวทุกคนทุกคน ยาท้ อ, อยาท้อถ้าอยากให้ชาติยั่งยืนถาวรถ้าอยากเป็นอิสระถ้าอยากเป็นชาติไทยที่มีสง่าราศียาท้อความท้อนี่จะทําให้ความร่วมจงยิ่งลงไปกว่านี้อีก น, นะไม่ใช่ทางดีไม่ใช่ของดีอย่านำมาพาัลนาอย่านำมาคิดมาอา่านให้เป็นความท้อใจให้ให้เข้มแข็งต่างคนต่างเข้มแข็งสู้เอาเลยเอาจนได้ใจชนะล้มก็ต้องลุกมาสู้ใหม่ ลมก็ต้องลบสู้ต่ออย่าลืมคงถามแต่เป็นเป็นหัวนี้หนึ่งว่าวิธีการทฤษฎีเนี่ยใช้ได้ว่าทุกคนคนละนิดคนละหน่อยแล้วแต่มีนะเจ้าค่ะก็ดังนั้นแล้วเดี๋ยวนีนตว้ต้องการอย่างนั้นหลวงตาบัวไม่ได้ต้องการเอาเป็นมหาเศรษฐีจากคนคนเดียวนะเจ้าค่ะเราต้องการให้ชาติบานองสมบูรณ์ด้วยทุกคนช่วยกันเราต้องการอย่างนี้ี่ยแต่ทีนี้วิธีการเนี่ยภาคปฏิบัติเนี่ย จะทำยังไงจะทำให้ต้องนี่เราปฏิบัติหลวงตาจะปฏิบัติเองไม่หมายถึงคนที่จะบริจาคอ๋อแล้ววันนี้ยังนี่ก็บอกมาแล้วยังเขาอยู่สุราธานีเนี่ยเขาจะบริจาคเขาจะทำยังไงเขาบริจาคอะไรบริจาคเงินสำหรับช่วยชาติเี่ยเงินเข้าธนาคารได้ทุกแห่งได้ทุกแห่งธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพันธ์นีที่ที่ที่เรา ปเป็นเจ้าของบัญชีไว้แล้วเวลานี้นะคือสาขาพันธกทรีเ <c oughs> ขาก็ประกาศ <c oughs> ทั่วประเทศไทยแ <c oughs> ลย้วว่าให้ได้เข้าได้ทุกสาขาเขาจะโอนเข้ามาหาธนาคารจุดที่อย่นั้นของเรานี้โดยไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยธนาคารไทยพาณิชย์เขาก็ประกาศแบบเดียวกันว่าให้โอนเขาได้ทุกสาขา ข, ของไทยพาณิชย์ทั่วประเทศไทยแล้วเขาจะโอนเข้ามานี่สุดเดียวที่นี้ทองแล้วจ้ะค่ะทองนั้นทอนั้นต้องถึงมือของหลองตาล่ะสัำพันญถึงมือ ทองคอําบนดำล่าเราเป็นผู้รับอันนี้อันนี้มันไม่ถูกวิสัยที่เราจะรับได้เรารับมันดีอั น, นั้นมันถูกวิสัยด้เงินทุกแห่งทุกหนที่สูงมากนะทองคํานี้เป็นของมีค่ามากการที่นํำทองคํามาให้หลวงการนี่ก็มีเอ็นสูงมากอยู่แล้วนี่นทําไมทองคำจะไม่คุ้มค่าของกันมาต้องคุ้มค่ากันนี่เราคิดอันนี้แนละ้วเพราะถึงว่าเปิดห้อมาถึงมือเลยเราจะเป็นผู้รับสิทชอบแต่ผู้เดียวแลจะทีนี่มีอันหนึ่ที่ เออที่ท่านยังยังยังจับศูนนิดหน่อยนะเจ้าค่ะคือธรรมดาปกติทั่วไปเวลาคนทําบุญถวายปัจจัยทําบุญเนี่ยก็จะอุทิศส่วนกุศลให้คนใกล้ชิดให้ตัวเองก็แล้วแต่แต่ในกรณีช่วยชาติเนี่ยยังต้องไปหวังให้ก็คือให้ช่วยชาติอุทิศให้กับชาติไม่ตไปหวังแล้ว จะให้บุคคลผู้ใดก็ตามเราหวังเอาบุญเอากุศลกับบุคคลผู้นั้นทำไมล่ะนี่เราช่วยชาติเราก็หวังเอาบุญเอากุศลกับชาติไทยของเราซึ่งเต็มไปด้วยมนุษย์หกสิบกว่าล้านคนทําไมมนุษย์หกสิบกว่าล้านคนจะไม่ทําประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้บริจาคได้เรียกว่ามหากุศลนี่ให้เราให้ทานแต่ส่วนรวมใดญโตอย่างนี้ยิ่งเป็นมหากุศลใหญ่กว่าให้บุคคลเป็นบางคนก็อีกนี่เรียกว่าเราสรางมหากุศลในเรื่นี้เออเงินเงเออ เพื่อถามต่อนี้หนึ่งหรือการเียถามต่อนี้หนึ่งว่าการที่เราทําบุญแล้วเราก็ขออุทิศส่วนกุศลนั่นนี่เนี่ยมันผิดหลักมันจะไม่ผิดเพราะเหมือนเราแลาเงินซื้อกุศลมันก็ไม่ถูกะเหมือนเอาเงินซื้อกุศลมันจะถูกเลยเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ซื้อกุศลมันเป็นมาองเหมือนกับคนไปทำบาปเขาไม่ได้ซื้อบาปเลย แต่บาปก็เก like ิดก <yeah, S 1> so ับเขาเองเราทำบุญทำบุญศพเราไม่ต้องไปซื้อบุญซื้อบ so ุญเนี่ยบุญกุศลเป็นองเราเองเหมือนกันต้องทำบาปไม่ต้องไปซื้อบาปอย่างบาปก็เป็นตัวของเราเองเช่นอย่างนักโทษไปหาถกหารักที่นั่นที่นี่นะแล้วมันก็นต้องไปต้องไปซื้อเงินจำเนี่ยมันก็เป็นนักเโทษเงินจำตัวเองของมันเมื่อมันเดิงเข้าเดินเข้าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาไม่เดินมันก็เป็นจุดจุดปลาเผาไหมมันอยู่นะเขาจับได้ไม่ได้ก็ตามไม่มีใครที่จะร้อนยิ่งกว่าคนทำผิด มันล้อมอยู่ในหัวใจมันใบไม้ตกแคกมันนี่มันนึกว่าตำรวจจะมาแล้วมันวิ่งแล้วเสร็จแล้วนี่คือการทุกความระแวงในใจไหมล่ะอืมเราไม่ต้องไปหาซื้อหรอกหาซื้อบาบมันนับเป็นอยู่ในนั้นแ่ะมันเผาอยู่นนั้นเห็นไหมเราการชบระแสงทางเราก็เหมนกันแล้วไม่ต้องไปหาซื้อเป็นก็อยู่นี่แหละเยอะเยอะ แต่างที่ที่ทีิชชูสงสยัยนอะจะใครอย่างเช่นว่าคนบันเกิดเนี้ยก็มาทําบุญทําสังฆทานถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้เห <ทำ S 1> มือนว่าให้ตัวเองได้ดีมันขัดขัดในใจมันไม่ค่อยเระลึกถึงบุญถึงคุณของตัวที่ยังมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทําบุญทำทางด้วยความระลึกถึงบุญถึคุณนี้นเป็นบุญอีกส่วนหนึ่งของเรา<ม>เรียกว่าเราไม่ลืมทชาติในความเป็นมนุษย์ของเราเพราะเราไม่ใช่หมาตัวนึงเกิดขึ้นมานี่นะพอที่จะลืมชาติตัวเองนี่มนุษย์ทั้งคนทําบุญเพื่อคน เลยรู้ถึงบุญของคุณที่เราได้มาเกิดบรรทุกนี้ทำไมจะได้เกิดเกิดบุญสุขุสงนะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจนะเพราะถ้าเราทำงั้นมันถ้าทำนี้มันขัดเราเราก็ต้องไปเกิดเป็นหมาที่ไม่ต้องเกี่ยวข้อกับการทําบุญให้ทานเราจนเป็นหมาแล้วยากอะไร มัต้องบุชททานบานเกิดหรือใช่ไหมคือใครก็ไม่อยากเป็นหมาอยากเป็นมนุษย์บุญที่ทำมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์นี้เราไม่มีบุญเราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เหมืนกันเราทำบุญเยอะน้าแข่งก็ความไม่รู้ถึงบุญของคุณของเราเราทำไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายเห็อไมไม่เสียหายไม่เสียไม่จะนคุณนนี้แต่เป็นคุณไยสายเดียวเท่านั้นเนี่ยสนุกนีไหมวันนี้ยบตอนนี้ได้ตอนนี้ตั้งเริ่มตั้ง ลงใต้าเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาใช่โครงการนี้ตั้งแต่ตั้งต่เราเรารับล้านใช่เนี่ยวันเดือนกุมภาตั้งแต่เดือนกุมภาตอนนี้ได้เยอะเลยยังก็รู้มันคงไม่ต่ำกว่าล้านแล้วเวลาเนี้ะล้านบาทด้วยล้านกต่าล้านมันต่ำเนลยคิดว่ามันต่ำแล่วต่ำกว่าล้านกว่าล้านนะเวลานี้มันต่ําแต่ล้านเราพอเก็บสองแหงเราเก็บไว้ตูนจะไผ่เวลานี้ทองคาก็ดี ตอนหน้าก็ดีเราเก็กบไว้ตู้ที่ตู้นี้เราใส่เมื่อเรียนจบควรแล้วเราถึงจะนําออกมาเรียกว่าเป็นที่แน่ใจทุกอย่างแล้วเราถึงจะปล่อยมาแน่ใจเราไม่ปล่อยคอขาดเราก็ไม่ปล่อยเพราะเราหัวใจของคุณน้องชาวไทยด้วยความไว้วางใจทั้งประเทศมาอยู่กับเราคนเดียวเราจะทําบุจกุจดุห้าไม่ได้เราต้องทําให้เต็มที่เราเรียกว่าคอขาดก็ขาดไปเลย เพื่อชาติบ้านเมืองให้รบเงินไป็นสุขเรเป็นที่พอใจแต่ความตัดความจริงของเรานี่จะขาดกัไม่ได้ต้องมอบไว้กับชาติบ้านเมืองของเราเราเอาจริงจังอยางนั้นอ่างเี้ยเรถึงกล้าออกสนามมาดิไม่กล้าต่อยไม่ออกสนามไม่ไม่กล้ารบไม่ออกแนวรบนี่นี่กล้ารบทุกอย่างแล้วจึงไม่ถอยความจนมีมากขนาดไหนเราไม่ถอยเราก็สู้ความจนให้ชนะจนกระทั่งมีความสมุนไพรุ่งนี้เข็มไทยของเราตั้งไว้ตรงนี้นะ เราไม่ได้ตั้งด้วยความหมดแอร์มันติดนี่เขามาเห็นจะไม่ไหลแ้วไม่ไหลก็ยิ่งร่มไปเลยใช่ไหมล่ะแค่นี้ก็เป็นกําลังใจฮต้องเอาดังนั้นต้องดังนั้นอคำวัฒนชาติของเราทําพูดพูดทำมันเติมเต็มเต็มส่วนไปเลยว่าคราวนี้นะเราพร้อมทั้งศาสนาพร้อมทั้งมะเราตักที่มาให้ความอบอุ่นความร่วมเย็นแก่เรานะเวลาเริ่มเปิด อ่โครงการที่แรกข้าหญิงคุลาพรก็สเสด็จเป็นเป็นประธานอหลังจากนั้นมาไม่กี่วันพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเด็จพระานางเ้าก็สเสด็จไปเยื่ยมเพื่อไปเป็นประธานทักเกียรติใพวกเราทั้งหลายนั่นเองอให้เป็นร่มโพล่ร่มใยให้เป็นที่อบอุ่นให้เป็นกำลังใจของพวกเราทั้งหลายเรียกว่า อ, อ, อ, อ, อ, องานนี้เป็นงาน <c oughs> มหามงคลอย่างยิ่งแล้ว ที่เราพร้อมทั้งศาสนาพระมหากษาัตริย์ศาสนาก็พระพุทธเจ้าก็ส่งหลวงตาบัวมาแทนศาสนาพระพุทธเจ้าก็ท่งหลวงตาบัวมาแทนแล้วพระมหากษาาตัตริย์พระองค์เสด็จทั้งพระองค์เองทั้พระญาติพระองค์นี่เป็นอย่างไงเป็นมหาจิตมงคลอย่างที่ไม่ใช่หรือเป็นกำลังใจเราไม่ได้ซ้ำกันแต่พวกเราไม่ได้ไปดูคำข้ามีวะลูกคำข้าพ่อแม่ไม่มี ไม่เจอลูกพากันดิ้นกวนก歪อยู่รัศมีรัสารอยู่เช่วประเทศไทยไม่มีใครเป็นผู้นําไม่มีใครเป็นผู้ให้ความร่มเย็นไม่มีใครเป็นเป็นผู้ให้กำลังใจนะฮะนี่พร้อมแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเราทํามีพ่อมีแม่มีผู้ให้ความร่มเย็นพ่อแม่ของเราคือมหากระสับ น, นั่นศาสนาเรียกว่าไง <c oughs> เียกกระเต็นที่แล้วเราทําเวลาที่สมบูรณ์เต็นที่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้พากันดำเนินตามไปท่านเลยนะ ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามเสด็จข้ามหากษัตริยรร์ของเราให้พระองค์ได้ทรง เ, เบาพระไทยถึงบ้างเวลานี้เครียดเต็มที่แล้วเราคาดไทยๆคาดก็ได้ด้วยกันเพราะพระองค์เป็นผู้ปกครองประเทศทั้งประเทศใช่ไหมล่ะประชาชนรัสภานีาน่เดือดร้อนพระองค์จะเย็นคนเดียวได้หรือต้องร้อนพระองค์ยิ่งจะร้อนกว่ามากเพราะแบบคนทั้งแผ่นดินเมื่อเราคนทั้งแผ่นดินช่วยพระองค์ทําไมจะไม่จะไม่เย็นพระไทยจะไม่เบาพระไทยเรานี่ละเอาตรงนี้ให้พระองค์เบาพระไทย เอาให้เต็มเดียวนะย่าท้อยหลังมีกําหนดเวลาไม่เจ้าคะทำไปเรื่อยยังไม่มีก okay. huh? ําหนดเวลาเหมือนกับเรารับทานเราจะอิ่มเวลาเท่านั้นหรือเราจะหยุดเวลาเท่านั้นไม่เอารับทานเรื่อยเรืืืยเืยมันอิ่มขนาดไหนเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานเราไม่รู้ในคีรวิชาภาษาได้มากได้น้อยให้รู้ไปโดยลําดับลำดับนี้เเหมือนด้วยเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานนะจนกระทั่งถึงความอิ่มไปโดยลำดับลำดับเราก็รู้อิ่มไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มพอแล้วก็อยู่เต็ม อันนี้เราไม่ตั้งเข็มไม่นุ่นว่าเวลานั้นจะหยุดเวลานี้จะหยุดเราทํากันเหมือนรับฐานเท่าสาวคนต่างขนเข้ามาให้ได้เห็นแต่ชาติเพื่อนบ้านเขายายเขาได้ชี้หน้าเรานะเอาให้ใ ห, ห้ให้เขาได้เห็นแล้วเขาได้เห็นดูหน้าไหดีไม่ดีแงนงต้งสูงขึ้นไปคอหักขึ้นไรเป็นยังไงคือว่าเมืองไทยเราสูงมากขึ้นไปเขาต้องแง่งเลยคอเขาหากักให้เขาเห็นด้วซี้เวลานี้เขาโ้มจนหลังเขาจะหักโค้มดูเมืองไทยเราต่ําต้อย แต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เหมือกันเนะเจ้าค่ะที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนไทยที่บริสุทธิ์คนที่ไม่ได้ไม่ได้ทําผิดพลาดหลวงตา ก, ก็เป็นผู้แสนประเสริฐบริสุทธิ์จะต้องมาหนักหนาช่วยคนแล้วอีกคนที่ทําลายไปนะคนที่อะไรจะไม่ชักยังไงต้อไม่ชักคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเป็นหนี้เป็นสีนนะครับผมต้องมาช่วย บึกกดหนี้สินอย่งางนี้ครับ<ช>ือคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วอะไ ร, <อ>ะรก็จะต้องมาช่วยทําไมาต้องมาช่วยกวดหนี้นแล้วเราเห็นคนตกน้ําำไหมแล้วเดินไปนี่เห็นคนตกน้ำนี่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาตกน้ําต่างหากแล้วเราจะช่วยเขาเราเราจะไปเฉยๆเพราะไม่ใช่หน้าที่เอาต่อพานนี้สักหน่อยนะเป็ น, นไงดูเฉยๆด้ยไหม อันนี้กบนกันเพื่อนบ้านทั่วประเทศเนี่ยจมกันแต่ทั้งนั้นแล้วเราจะเด่นอยู่คนเดียวเถิดเดินเถิดไปคนเดียวได้ไหมวะเข้าใจถ้าเราเดินเถิดไม่คนเดียวไปได้เอาช่วยกันสินั่นตึงถูกเ <c oughs> พราะมันจะมีคนคิดอย่างนั้นจริ ง, ร ง, รงๆนะคะว่าคิดไปเขาคิดไปเราจะไปคิดอย่างเขาเราจะไปทําอย่างเขาดึงเข้ามาคิดให้เหมือนเรานไม่เหมือนเราเขาช่างให้เป็นเรื่องของเรื่องของเขาไปยอมมาเป็นเรื่องของเรามันเรื่องคนละเรื่องเข้าใจ ถ้าเอาจะ เ, าเราเป็นเอาเป็นเรื่องของเขาโลกเมืองไทยเรานี้ก็จมเพราะคิดอย่างนี้ไม่ใช่คิดเพื่อฟืน้นฟูเมืองไทยเรานี้นะผ mm. ิดคิดแบบคิดแบบคนตกน้ำลงไปเหยียบซ้ำอีกเงินใช่ไม่ได้เน mm. ี่ยดูดูได้ไหม เป็นยังม่ไต้องอย่างนั้นหรือมันต้องแก้กันอย่างนั้นใช่มันถึงทันกันปะอืมคือเวลาเขียนลงไปเนี่ยอยากจะปิดประตูให้หมดใครที่อ่านแล้วเขียงในใจบอกว่าเป็นหลวงตาเป็นเป็นพวหารหลวงตาบัวให้เปิดบทเลยนะหลวงตาบัวเนี่ยออกสนามแล้วมันมีสติสัมาชัมาผมมาก็ไม่ถอยพระพรทธหลานพระพุทธเจ้าน่ะไม่แตะท่าน แต่ทางถ้ามาพรมรมาณนี้น ใ, นใครจยียมี่ยน้าศาสนาเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ตามหลงแต่วัไม่มีคำว่าถอยเลยถ<ท>้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าและประหานแล้วไม่แตะนะถ้าเรานั้นเราไม่ถอยเพราะพวกเรานี้มีกิเลสทาง ท, างทางันร่วมความกิเลสมีมันต้องมีความต่ําตามแทรกเข้ามาด้วยที่จะได้ต่อยกันเข้าใจหรือเปล่าอืความตํำตามมีตรงไหนจะต่อยตรงนั้นอะนี้นะถ้าเป็นคำ เ, เราไม่ต่อยพระพระธานนี้เป็นคำทั้งแท้แตะท่านไม่ได้ ถ้าเป็นผู้ชิ้นที่เลสแล้วนั่นแตะไม่ได้นะผู mm ้ hmm. ยังมีกิเลสอยู่ตรงไหนนั้นภัยมันยังมีอยู่นั้นมากกว่าน้อยมันจะมีแล้วจะต่อยตรงนั้นแหละต่อยตรงกิเลสตรงขั้วดวงตาก็เหนื่อยแ ย, ยกเนี่ยไม่เหนื OH> ่อยก็ต่างดวงตาเธอขอลูกชิดต ak ่างหลายได้พร้อมเพียงครับเมือกี้กันดวงตาเป็นที่พอใจแม้แต่นอนอยู่อย่างนี้ก็ตามเขาบอกว่าเอาทองมาได้ในดวงตาไหนไหนจะลุกขึ้นพันธุ์ลับเลยมันเหนืยเมื่อไหร่ถ้าจะได้ทองก็ไม่เหนื่อยถ้าไม่ได้ทอง้นไม่จะเล่นกับคนนะ ใครมาใหา้ได้ทองมาหรอเปล่าได้โดนล่ามาเปล่าเนี่ยถ้าเขาไม่ได้รดลามาแล้วไม่อยากคุยด้วยแล้วว่าพูดมันสนุกบ้างที่มีก้อนตลกบ้างด้วยตลกแบบ้าจะเป็นอะไรไปใช่ไหม ือเป็นประชาชนเขาเขายังพูดได้สะดกได้มีใครบอกลุงตาดุอะไรเขาเหรเนี่ยมีแต่ใครบอกลุงตาดุมากนะยใครบอกว่าลุงตาดุมีคนลูกศิษย์บอกจ้ะค่ะเราพูดกันให้ไปเชื่อเขากว่าหลวงตาเราหยาดซ้าอย่างนี้โดยซ้านะถ้าพูดอย่างนี้เราหยัดซ้ำให้ไปเชื่อเขายิ่งกว่าหลวงตานะแล้วให้ถือเขาว่าสารังข้าฉามีด้วยนะพระเจ้าประดับประสงค์สารังข้าฉามนี่ ตอนประธานครับ จะขอถวายปัจจัยหน่อยเออเอาถอามาเนี่ยดังนั้นเอาปัจจ um ัยแล้วเอาถวายมาทันท şey ีเลยเอาที่าแดงเนี้เอเอามแดงาแดงที่อะไรัแอนางตอนล่างนะอนล่าอนล่งตอนลางตอนลางอล่างล่างนล่างอนล่างตอนลตอนล่าจตอนล่างตอนั่างตอนล่างตอนล่างตนล่างตอนทํางตอนว่างนี่เอนล่านล่างล่างตนล่างตอลางตอนล่านล่างตลางตอนล่าับอนล่างตอนล่างนงนี่างตอนล่าเตอนลล่างตอนลางตนล่งนล่างาไม่รับนนล่างตอนลอ แล้วท่านทำไมจับเนี่เื้องอะไงน่ะคือถามปัญหานวันนี้ต้องมาพากเลยนะจะได้จะได้พูดอะไรที่ถามว่าผิดพาดประการหนก็ต้องขอปัญหาก็จาต้องขออภัยกันเหมือนน้ำมวยเขาไม่ถือกันอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเรา โตกันน้หผลนี่มีอะไรว่ามันเป็นเหตุเป็นผลไม่ต้องถือกันเราถืออุารรสสำคัญที่จะเป็นประโยชน์เก่การประชุมกันมีการคุงต้นทางน้เท่าั้นเองที่ที่คิดกันเราสองคนที่จะเขียนเนี่ยนะเจ้าค่ะคือในเมื่อเราต้องการจะเผยแพร่ให้คนเข้าใจในการขบวนการถ้วยชาอ่าอินขอเรียกว่าขบวนการนบอ่้วยชาเนี่ยก็คือจะกันไว้ด้วยไม่ใช่ว่า คือไม่ไม่ไม่ใช่แค่ว่าเผยแพร่แต่มันมีคนจิตซําอาจจะมองเอ๊ะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันถึงได้ถามอะไรแบบนอกนอกเพื่อจะได้เขียนกัรเรื่องของเราเกจ้าค่ะว่าไปตามเรื่องของเราไปเลยส่วนเขาจะคิดวิวาญวิปาญแง่ไหนมันเป็นเรื่องของหัวใจเขาให้แต่ว่าคนเขียนก็ยังปล่อยวางไม่ได้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นกรร ก็พยายามปล่อยบ้างซิยังปล่อยวางไม่ได้แล้วไม่ค้นใจจะปล่อยด้วยใช่ไม่ได้อยู่เหมืกันแล้วมีอะไรอยู่ละจะจะเริ่มอแจกเมื่อไหร่ที่ที่รวบรวมได้มานี่จะเริ่มอ่จ่ายเมื่อไหร่อ๋ออันนี้คือเราเห็นว่าอย่างน้อยต้องต้องล้าดอนล้าขึ้นไป ดนลาดนะชวนทองคํานั้นทองคำมีหลายประเภทถ้าทองคาแท่งแล้วก็เก็บเป็นทองคําแท่งไว้เลยรายตัวถ้าเป็นทองคําเรียนราดทองคําต่างประเทศต่างประเภทนะเราจะมาหลอมเป็นทองแท่งทองแท่งแล้วตีการสีนิสเดซนไข่ให้เรียบร้อยเป็นมาตรฐานแล้วเราเก็บเขาตู้ดีตะไคร่ตู้ดีภัยเมื่อตกลงกันกับผู้รับ เป็นหลักฐานยินยันแน่นอนไม่มีอะไรผิดพลาดแต่แล้วเราจะมอบให้เป็นระยะระยะไปแล้วจะประกาศให้ประชาชนทราบทั่วไปว่าได้มอบทองก็ดีเงินก็ดีครั้งนั้นเท่าไหร่ครั้งนี้นเท่าไหร่เราจะประกาศเรื่อยไปเวลานี้เรายังไม่ได้อะไรพอที่จะประกาศอย่างนั้นเราก็ไม่จะประกาศก่อนเขาเรียกว่าหลงตาบวกโม่เกินไป เป็นยังไงพอใจแล้วยังอาจที่พูดเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มเอามาอร่อยอร่อยแต่ยังไม่อิ่มจ้นะอัน ท, ที่ว่าล้งตะ บ, บัวดูนั้นคือเขาดูตั้งแต่ผวเผินน่ะพูดนี่ตามความจริงนะเขาจะดูตั้งแต่ผีเผินฟังตั้งแต่ผีเผินคนนั้นเล่าฟังคนนี้เราฟังเชื่อเชื่อหูคนอิ่นเขาไม่ได้เชื่อความจริงจากปากเราจริงๆผู้ที่มาอยู่ปากเราจริงๆขอยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่าบัดตาบรรตามนีนาะ มากที่สุดคือค่าวัดนี้แล้วท่านเรามีรู้ทั้งนั้นเราลงตะบัวนี้ดุเด็ดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าก็เวลาใครมาอยู่แล้วอยู่แล้วไล่หนีก็ไม่หนีทําไมเป็นอย่างนั้นพิจารณาทีแล้ววัดนี้หกสิบเจ็ดสิบนี่เราหมายถึงว่าเรากั้นไว้นะไม่อย่างนั้นยังจะมากกว่านี้ประกาศลั่นให้เขาจากพญายไปเขาไปแล้วไปห้าแล้วไปละมาละมาสิบอย่างงั้นนะไปแล้วไปเพียงห้าองค์ไปละมาละมาสิบองค์มันก็มาหายเนี่ยขึ้นทุวันทุวันนั่นคือที่นี่ความดูดาวลากาวมันไปไหนหมดทั้ ตลอดถึงประชาชนทั้งหลายนี่อ่ะที่เขาเคยเกี่ยวข้องกับเราแล้วใกล้คิดสนิทสนมไลหนีก็ไม่ยอมหนีมันทำามันเป็นอย่างนั้นหนูจะโบดุอะไรดูแบบนั้นอ่ะพี่นาพี่แม่ที่ดูหนูเมื่อกี้ก็ดีดีว่า่ยังไม่ขึ้นไต่ก็ยอมแพ้ดูแบบนี้ดีแล้วนั่นก็เหตุผลผลที่การดูคนก็ดีดูด้วยเหตุผลที่ควรดูดีด้วยเหตุผลที่ควรดีดูก็ดูเพื่อดีไม่ไดูเพื่อความเสียหาย ดีก็ดีเพื่อความดีไม่ได้ความเจ้าหายอะไรการแนะนํางสอนของเวลาเด็ดเราก็เด็ดจะเด็ดเพื่อดีของเราเอาจนกระทั่งถึงว่าเอาชีวิตจะขาดเอาขาดไปนี่ก็เพื่อความดีสําหรับเรานี่การแนะนํางสอนก็อื่นเราทํามาอย่างไรทำพระพุเจ้าสอนว่าอยัางไรพระพเจ้าดําเนินมาอย่างไรเราก็นํานั้นมาดําเนินที่ที่เขาไม่เคยดําเนินตามพระพเจ้าเขาไม่เคยฟังตามบระพุทธเจ้าเขาฟังจุมสี่จุ่ห้าก็พูดจุ่มสี่ห้าไอ้หูจุมสี่ห้าจากหูเรานี่มันก็ฟังได้ง่ายเชื่อได้ง่ายเลยสิ ไม่ได้เชื่อความจริงเชื่อแต่ความจำปลอมคือถ้าจะมีแต่หูปลอมเต็มโลกเต็มภาษาหูจริงจะไม่มีแนละ้วหน่อยจำให้ดีคำนี้อตอนนี้อันหนึ่งซึ่งสําคัญที่สุดที่จะเป็นปัจจัยช่วยกระบวนการนี้ได้สําเร็จคือเมตตานะเจ้าค่ะโอ้เราเมตตานี้เราเต็มห้องอบอยู่แล้วผู้อย่างจริงทำนี้ทําด้วยความเมตตาล้วนๆเราไม่มีส่วนแบมชวนอะไรจากใครทั้งนั้นเราทําด้วยความเมตตาสิเจ้าค่ะจะคำว่าเมตตาเนี่ย เราทั่วๆวไปก็เข้าใจความหมายในระดับหนึ่งอยากจะขอกับขอให้ใหลวงตาอธิบายให้ลึกซึ้งเมตตาพระพุทธเจ้าเมตตาพระอรหันต์นั้นเป็นเมตตาเหนือโลกเหนือตรงสารเมตตาเรานี่ยังเมตตายังคุมเครือไปด้วยกิเลสตัณหามีเมตตาบ้างไม่เมตตาบ้างนะถ้าเมตตาพระพุทธเจ้านั้นเหนือโลกเหนือตรงสารทุกสิ่งที่อย่างไมื่อความเมตตาล้วนจะทำให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้แล้วจะทำให้สั่งที่สั่งโกธท่านอะไรนี้ไม่มีทาง ขความเมตตานั้นเหนืออ่อนนิ่มไปกับจัดหัวใจสัตว์ต่างหลายทั่วโลกดินแดนท่านไม่มีอะไรแล้วนั่นหัวใจพระทหารเปนน็นอันมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราเราเนี่ยจะสร้างเมตตาในหัวใจทำยังไงจะเราสร้างความดีซิสร้างความดี ภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆจะทำบุใดก็ตามให้นั่งภาวนาบ้างนี่จะนั่งภาวนาหรือเปล่าล่ะเนี่ยเหนือบ้างอาจจะยังบ้างเส้นึ่งพุทโธคำหนึงวันหนึ่งเดีพุทโธคำเดียวก็บ้างได้มิใช่ไหมล่ะบักว่านั้นสองคำก็บ้างไเพราะมันมีทร้างมีทร้างออกได้คนเราใช่ไหมเลยได้ยินเขาว่าพุทโธดังมุ่นท้ายบ้านมันก็ตามเราได้ยินทั้งนั้นเราก็บอกว่าบ้างได้ ไม่แต่ว่าการการทําให้ตัวตัวเองมีเมตตาเนี่ยมันต้องฝึกหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของคนเจ้าคะคือฝึกใจให้สงบนี่แหละเมตตาจะค่อยเริ่มขึ้นเบื้องต้นเมตตานี้ไม่ต้องเศษกันพันยออะไรนะนะเมตตานี่คือทำเมื่อทำคือมีความสงอบใจเป็นต้นได้เริ่มปรากฏขึ้นมามากน้อยความเมตตาความอดอนของใจนี้จะเริ่มขึ้นมาเริ่มขึ้นมาแล้วถึง เพื่อนบ้านมนุษย์ว่ามีหัวใจยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วมันจะเฉลี่ยถึงกันเรามีความสงบลมเงย็นมากน้อยจะไรความความที่จิตของเรามีความสงบลมเงย็นนี้มันพร้อมกับด้วยความอ่อนโยนของจิตนะและจะซ่านไปทุกแห่งประวัติยิงจิตบริสุทธิ์ไดแ้แล้วเนิ่มไปหมดทั่วแดนโลกธาตุเลยนัดต่างกันอย่างนั้นนะไม่ต้องเสกสรนเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองจะทําให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทําอย่างนั้นมาได้เราก็พยายามภาวนาทําจิตให้สงบ แล้วเราจะเห็นโษในความฟุ้งซ่านบุญวายเราเห็นโทษในความโกรธความเีย่แค้นต่างๆในืออากิตสงบจิตสงบไม่มีความโกรธความแย่แค้นเป็นคุณแลธทํามันสําคัญเด่นในหัวใจเรานี่เราเป็นเครื่องเทียบเครื่องวัดกับสิ่งชัวช่วช้าดำรงสลายได้แล้วต่อไปมันก็เป็นคู่แข่งกันได้ต้องต้องขออนุญาตทีหลังเขา ก, กดไปแล้วเพราะมีช่างภาพมาด้วยกันต้องขออภ hmm. ัค่ะ อ๋อไปลงสือก็พอเอาลงสือเนี่เป็นยังไงอันดับชันี่ที่หลวงตาพูดบัดนี้นะเปิดโอกาสให้พูดได้หมดเลยให้ออกได้หมดนี่เป็นโวหาน้องหลวงตาบัวชผ้าป่าว่างั้นเลยนะแล้วคือกลัวว่าจะเต็มเตงมอกเตใจเราก็กลัวโลกเขาจะเต็มหนี้ทีหนีทางให้เขาต้องหนีไปเถอะปากเขามีหูก็มีเราอยากฟังก็าแตเรามันอยากฟังเราก็ไม่ฟังเราเฉยได้สบายเข้าใจเขาจะชมเชยก็เป็นเรื่องของปากเขาเขาจะตีทีนิทานก็เป็นเรื่องปากเขาหูเราอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็เฉย แต่เท่า น, นั้นเองนี่เราพูดเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อหลักเจณฑ์ต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็พูดตามหลักความจริงอย่างนี้เขาจะว่าสูงไปต่าไปให้เป็นเรื่องของเขาเองเรื่องของเราทําเป็นยังไงเราจะพูดไปตามอาำำัดตามทำหัเหยียไปตามนั้นเลยบอกว่าหลวงตาพูดอย่างนี้ให้ว่างั้นเลยเข้าใจนะหลวงตาเนี่จะออกสนามแล้วไม่ถอยต่ อ, อยละไปเลยอย่าว่าจะแชมเปี้ยนเลยข้อแชมปเปี้ยนมาก็ไม่ถอยถ อ, อยถ้าลงนะขึ้นเลทีแล้วเป็นไม่ถอยจริง อแชมเปี้ยนมาก็ต่อยพ่อแชมเปี้ยนมาก็ต่อยปู่แชมเปี้ยนมาก็ต่อยต่อยไม่ถอยเอาจนหงายด้วยกันถ้าเขาไม่หงายเราก็หงายเท่นั้นเองไม่ต้องมีสองอย่างล่นตาจิตเข้มแข็งฮติดเข้มแข็งแต่ร่างกายสู้ไหวเลยเจะ้าค่ะเนาะก็ก็เอา ท, <c oughs> ท, ท, ที่ที่เข้มแข็ ง, นนงมาสู้อันอ่อนก็ยอมมาสู้สิเออเอาที่ไหนมันเข้มเออเอาที่มันเข้มแข็งนะที่สู้อันไหนออนก็ยอมมาสู้สิ ก็มีเท่านั้นเองเอ๊วันเราไปสู้ไปสู้เขาได้ยังไงต้องเอาแข็งสู้สิอ่ะในที่สาธาะสู้อ่ะแล้วมีอะไรอีกไหมละ่ะมีว่าเอาเอาเรื่องเอาเรื่องโครงการนี้พักไว้นิดหนึง่งนะคะขอเรื่องเกี่ยวกับธรรมานิดหนึ่งเมื่อกี้ตอนแรกเลยเนี่ยลุงตาบอกว่าตอนนี้กิเลสมันครอบงาประเทศครอบกรรมวงการต่างๆทั้งหมดเนี่ย แต่ทีนี้ที่จะให้คนมาศึกษาปฏิบัติธรรมมันคงไม่ง่ายไม่ได้รต้อ ง, องเอา้ทำ ต, ต้องเอาเราก่อนสิเอาเราเรื่องจัดตัวเราเออมันควรจะสองให้มันสองไปมันมันไม่ควรสองให้มันหนึ่งจะเลาเรื่อยๆไปสิก็เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงปรดวดพระองค์เสด็จออกเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นเวลาทำเต็มพ ร, พระทัยแล้ว ประกาศสอนทำได้สามเดืนโลกธาตุไม่มีใครเกินต้อนะพูดให้เจ้านั่นก็เป็นอย่างนั้นแล้นเราเราเป็นคนเดียวซะก่อนที่ต่อไปมันกระจายไปเองเมื่อเรามีสมบัติมากแล้วเก็บไว้ไม่อยู่แล้วมันทำมาเองมาเอ ง, เ, องเป็นเองหลวงตา ก, ก็เคยพูดแล้วนี่ว่าก็ อ, อยู่ในฝันในเขาเราว่าจะตายคนเดียวเราไม่นึกว่าเราจะมีชีวิตรอดมาเพราะฟัดกับทีเด็ดไม่ถอยเลยขั้นแล้วก็ลูกขี่ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้ทําไง เราไม่ได้เชื้อเชิญไม่ไปหาใครนะหากเกาะทีเดียวพิบเพิบเพิบตั้งแต่พระเนรขึ้นไปจนกระทั่งถึงคารวะเต้นอยู่อยงนี้ตลอดเวลาไม่มีลาว่างเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจะทําไงมันเป็นเองเราไม่ได้หามันเป็นเองในเวลาเราหาทำเราหาอย่างนั้นเราเอาชีนี้เขาแรกคนเดียวเราตายคนเดียวไปคนเดียวจะด้วยนะเราไปบปฏิบัติธรรมแล้วไม่เอาใครไปด้วยเราไปคนเดียวสู้คนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินไม่ต้องกินทีวันก็ตามสร้างพอนะ้ำไม่ถอย ซัดจนจนกระทั่งเดือนหรือว่าเผาสรงกิเลสเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ลงจากเวทีเลยผ้าเดรเกาะเพิบเลยจากนั้นมาก็สอนเรือ่อยมาจนกระทั่งวันนี้นะวันนี้เป็นที่เข้าใจหรือที่เพื่อที่พูดเต็ม อ, อกหัว อ, อกให้ฟังวันนี้นะเปิดหัว อ, อกให้ฟังวันนี้เราไม่เคยพูดปีสี่ปีสี่สิบเอ็ดนี้เราพูดนะแต่ก่อนทําประเภทนี้เราครองมาแล้วได้ 4.9 ่สเก้าปีตั้งแต่ปี249พเบสเราพังกิเลสเผาสรงกิเลสมาตั้งแต่ปี2493ม แล้วหมู่เพื่อนพ่อเนรประชาชนทั้งหลายเกาะเรามาตั้งแต่นอนเรากาเทพเต็มเต็มเหนี่ยวหมดใต้หมดพุงหมดตับหมดปอดด้วยมาแต่แล้วไม่เรารู้อ๋อยันมีแต่ของกลางเต็มแหละโจนภูลาอยู่ในทําการของกลางนั่นแหละแต่ไม่แต่ยังไม่รับสารภาพว่าเราเป็นคนขโมยมาแต่ปีนี้ปีห้าร้อยสี่สี่พ้าร้อยสี่เดียดนี่ได้ออกแล้วว่าเราเองเป็นคนขโมยมาว่างั้นเนี่ยที่ว่า รได้รู้แล้วว่างนันเลยทําประเภทนี้ได้รู้มาเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วจนกระทั่งถึงว่าข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายของเราตราล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเราแน่ในหัวใจแล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าผู้ที่แากตัดสรูท่านทูลถามใครภาษาโบราณทหารแม้ที่สุดจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูล ถ, ถามปัญหาเพราะพระตัสลู ป, ปึงจางทางแล้วกลัดมาเลยไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นเพราะอะไรนี่ทําประเภทเดียวกันของอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวการเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนั่น มันก็มีสัตวนั้นมันประจักษ์ใจเดียกว่าบสันติโกประกาศบ้างก็ได้เข้าใจเดียุดทันทีความสงสัยสนเทศที่เคยเป็นมาเท่าไรหายหมดในขนาดเดียวกันไม่มีใดเหลือในเข้าใจไเลยหรือในเปิดแสดงเป็นนี้พอเปิดใจอย่างนี้นี่งานว่าจะแปลเองได้ไหมเจ้าคะว่าที่ที่หลวงตายยอมเปิดใจเปิดตัวตอนนี้เพราะว่ามันเร็วร้ายมาก เพื่อสถานการณ์มันเรีวร้ามันแก่เราเรามาจะพูดโดยสถานการณ์มันเร็วร่านะพวกว่าเราแก่มากแล้วจะเก็บไว้ทำไมอืแล้วเปิดจะบ้างใครที่มีหูมีตาที่จิตใจเป็นอัดเป็นทันเป็นที่ดุรุกคลก็ให้เขาได้ทําเหล่านี้ไปเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเขาถ้าจิตใจที่มันต่ำารามเหลือเกินไม่ควรเป็นกรรมของสัตว์ละปล่อยผ่านไปเสียสิ่งนั้นเต่านั้นเราจะเอาเฉพาะนี้แค่ว่าเห็นสถานการณ์มันเร็วร่านี่ ถึงเราจะพูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้เราก็เห็นเพราะฉะนั้นเราถึงได้ออกมาสนามโล ก, โลกอย่างนี้เราก็เห็นอยู่แล้วแล้วไม่จําเป็นเอาเอาทำอะไนมาอวดมาอ้างมาเป็นพยานเราก็เห็นอยู่แล้วยังไงเข้าใจเปล่า เวลาคนบริจาคถวายเงินบัจจัยหลวงตามาตลอดเยอะแยะมากไลหลวงตาทําไมไม่สร้างวัดก็โก้หรูๆสร้างอะไรก็โก้เป็นเรื่องของกิเลสโก้นะทําำที่ให้สง่าง า, นา ม, มนี่หัวใจนีสวา่างจ้าหนึ่หัวใจนี่เอาผ้าชิลี่หอ่อทองพอแล้วอย่าเอาผ้าเอาเอ า, เอาผ้าสองคำมาหอ่อขี่ม้าเลยเดี <c oughs> ๋ยวนี้มันเป็นการเป็นเอาผ้าสองคําหอ่อขี่มาอาวัชศาสนาโว้ยโก้รูไปหมดเลยนะ แต่หัวใจมันเป็นไปไม่ได้มองดูหัวใจไปอยู่ที่อิตที่ปูนที่หญิงที่ทยเราไม่เคยสนใจเราพอแล้วมในหัวใจของเราพอหมดอะไรจะรู้ล้ำไให้เราไม่รู้ล้ำไให้เราเราไม่สนใจไม่มีอะไรเลิศเดยยิ่งกว่าธรรมชาติที่เราค้องหรืออะไรนี้แล้วเท่านั้นพอเข้าใจหรือล่ะเข้าใจค่ะวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีที่เป็นวิธีหาเงินเข้าวัดได้เยอะคือหามาทมไมหาเงินเข้าวัดหาทําเข้าวัดมันถูก S <S <S หาอะไรหาเงินต้องหาเต็มบ้านเต็มเมืองกองทุกเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะคนหาเงินนั่นเองหาดีหาดีน ห, หาไม่รู้จักประมาณหาเจนจะเป็นจะตายแล้วหาธรรมไม่เป็นหาธรรมเมื่อพอใจแล้วตามพระมจริรจร ย, ยังกัจจันทรยังนาประลยตาญาติประชาราศีเนี่เสร็จแล้วงานของศาสนาทีาง่งานต่างๆสมทำงานในศาสนานี้เสร็จขึ้นแล้วกิจอืน่นกิจที่ควรจะทําทำจะทําเสร็จแล้วกิจอืนอ่นที่ยิ่งๆนี้ไม่ไม่มีแล้วถ้าเป็นน้ํำก็เต็มแก้วนั้นเท่านั้นพอ อันนี้มันไม่มีแต่ความหิวโหยเต็บ้านมเมมีมากเท่าไรยิ่งดิ้นยิ่งโดนยิ่งเป็นป้ากันมหาเศรษฐีนั่นแหละคือมหาทรพมู่อยู่ตรงนั้นเราไปมองข้ามไปสมัยมองดูมหาเศรษฐีอย่ามองดูสมบัติเงินทองเขาก็ให้มองดูหัวใจมหาเศรษฐีความโลภมากที่สุดความรับผิดชอบมากที่สุดเรื่องยุ่งเหยิงมุ่งหมา ม, มากที่สุดอยู่กับมหาเศรษฐีนั่นละไฟอยู่ที่นั่นให้ดูที่ดั่นที่ดูคนดูตั้งแต่ข้างนอกมันก็เป็นบ้าไปด้วยกันหมดทั้งโลกเล้วอันนั้นดีอันนี้ดีเราจะเอาอย่างนั้นเ่าจะเอาอยา ตายแล้วก็นิมนต์พระมาคุชลาธรมมาคุชลาธรรมาอจาอนี่ตายแล้วไปในนาไม่เห็นเลยเรื่อนนะ <c oughs> งหรอวะเข้าใจจะยังไงฟาดกุชลาเจ้าใครเต็มหัวใจเจ้าของแล้วประกาศตั้งเลยนี่ประกาศแล้วนะนี่บอกกรงกรงเลยบอกว่าหลวงแต่บวัวตาได้ยินอยา่างนิมนต์พระมาคุชลานะห ล, งลวงเราคุชลาธรรมเราเต็มหัวใจแล้วพอทุกอย่างแล้วเราไม่ต้องการอะไรหมดเราบอกกรุงแล้วเราบอกแล้วนี่ บอกอย่างเจนเหนียวเลยบอกอย่างไม่ใช่โรคทานบอกด้วยความประจักษ์ใจของเราเราไม่ต้องไปถามใครเราอิ่มล้วก็บอกเราอิม่มเวลาเราหิวเราก็รู้มาโดยธํร ด, ด, ดานั่นเองจนกระทั่งถึงเราอิมอ่มอิ่มไแล้วพอแล้วเต็มที่แล้วเราก็เราก็รู้ในใจของเราเราจึงไม่ไปถามใครเลยใครจะมาบ้ากพรว่าไปปากเขาต่งางปากเราไม่เป็นบ้าจะเป็นไรไปวะ <laughs> เขาใจไม่สิบเรื่องความสำคัญมั่นหมายความคิดต่างๆความตีขีดอินชาหาความที่จุดมาได้ของโลกกิเลสนี้เป็นอย่างนั้นถ้าโลกของธรรมเนี่พอ ควรติติคนชมช ม, ช ม, ช ม, ชม เ, เ, เรื่องชมเรื่เหตุด้วยผลติเรื่องเหตุด้วยฝนเริ่มทาไปอย่างนั้นต่ากิเลสทีดด่ติดะชมดะถ้าพอใจคนนี้ชมคนนี้ไปเลยมันจะเลวมาขนาดไหนก็ชมไปเลยเอถ้าไม่พอใจแล้วติไปนี่นะี่เนาะเป็อย่างนั้นเรื่องของกิเลสมันไม่มีประมาณไม่มีเหตุด้วผลคือเรื่องของกิเลสถ้าเรื่องธรรมมีเหตุดีผลมีหลักมีเกณฑ์มีประมาณนันะต่างกันตางนี้นะเข้าใจเข้าใจแต่ว่า อันหนึ่งที่คล่องใจนี้เจ้าค่ะว่าทําไมกิเลสนี่มันง่ายง <c oughs> ่ายเหรอกิเลสมันอยู่หัวใจคน <c oughs> นี่เรคน <c oughs> ต่างคนต่างสงเถอิมันก็มีอำนาจมากที่ในต่างคนต่างทําลายมาต่างคนต่างส่งเสมทําขึ้นมาทําก็มีอำนาจแตรปบที่เลสได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่บริสุทธิ์บนบริสุทธิ์ได้เพราะป่ากิเลสพระอรหันต์าาาท่านบริสุทธิ์ได้เพราะป่ากิเลสท่านไม่ใช่พระบริสุทธิ์ได้เพราะการตกแต่งกิเลสนี้นนะเข้าใจ ใช่จะเขาจะต้องเก่งกาดจริงๆถึงจะสาจิเลตอยู่คนคนปัญญานิ่มนิเนี่ยโอ้ยรู้เลยนี่แหะว่าจิเลตถอนถอนคำตอบถอนคำถามถอนคำถามใอะไรมถอนคำถามถอนคาถามเลยรู้เลยว่าท่จังหวพอถอนคาถามค่โดนดุซ้ำ ถามไม่ได้ครึ่นทางนึกคําตอบออกได้เลยเมื่อกี้หนูจะหนูกราดเรียนถามไปครึ่งทางนึกคําตอบได้เลยไม่ถามเพลาที่แบบพี่เด็กมันสลับซับซ้อนมันละเอียดสุดให้ขึ้นต่อ ก, ก่อนกับพีเด็กซะก่อนเราจึงกล้าพูดได้เต็มปากตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยพูดเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เรื่องของพีเด็กไม่เคยปราบพี่เด็กให้อยู่ในเงื้อมือเนือกี่เด็ด ทีนี้เวลาปราบท่านมันอยู่ในเงื้อมือเนื้อมันทุกสิ่ทุกอย่างแล้วมันจะออกแง่ไหนแง่ไหนนี่เห็นหมดเห็นหมดกลมายาของมันหลอกวงโลกนี่ที่ไหนไหนนี่เห็นหมดรู้หมดประเด็จิงจ้าสามารถพูดได้หมดถ้าจะพูดนะนอกจากอันไหนควรพูดไม่ควรพูดเพื่อโลกสมมุติสูงต่ํามันมีนี่เราก็ปล่อยไปผ่านไปผ่านไปถ้าอันไหนที่ควรว่าเราก็ว่าไปตามเหมือนกับเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่พูดความจริงมันรู้นี่เหมือนกันอย่าที่ว่ากิเลสเดียบ ความฉลาดแหลมความมันอย่างที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดีนี้นะแล้วใครได้รู้รู้บ้างว่าเราสร้างความดีเนี่ยมันยากมันยากความมายากนั่นคือกิเลสทาให้ยากต่างหาการความดีไม่ได้ยากนะทำท่านไม่ได้ยากมันทกิเลสขวางทางต่าหากยากแด็กไม่มีใครมองตรงนี้จริงแต่ทำท่านมองท่านเห็นนี่เข้าใจหรือเปล่าล่ะเราจะทําคุณงามความดีประเภทใดก็ตามแม้ที่สุดเราคุยกันอยู่สนุกสนานนี้นะพอเราเลึกถึงเวลาแล้วที่อยู่ คือจะทำบัด เ, เด้อมานี่เหนื่อยมากเอาไม่ไหวนั่นเห็นเมื่อชี้เดืดสร้างแล้วสร้างความสามแล้วให้อ่อนเปียกไปหมดเลยถ้าคุยกันนินเป็นบ้าไปเลยก็ ก, ก็ก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นบ้านะนั่นแล้พอที่จะสร้างตัวเป็นคนดีไหว้พระสมบูรณ์ไม่ไห ว, วนั่นเห็นเมื่อชี้เดืดสร้างให้แล้วสร้างความอ่อนใหแล้วเรารู้ไหมตรงนี้เวลาผ่านมันไปแล้วมันก็รู้มันหมด คนมายางเขมันออกแบบไหนแบบไหนมันคนคนดวงโลกเขามันมันออกแบบไหนไหนไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้พระพุทธเจ้าฆ่ามันไม่ได้ไม่รู้เหนือไม่เหนือมันดังนั้นนะความรู้ของพระพุทธเจ้าของความรู้ประฐานเป็นความรู้ที่เหนือที่เดดทุกประเภทความรู้เหนือโลกว่างั้นเถะนะว่างั้นจึงมองโลกให้ได้ทะลุปุ่มไปหมดพวกเราันความรู้อยู่แต่หน้าของทิ่เดชเรียนจบอะไรมาก็ตามหรือสูงจะตามขนาดไหนก็ตามก็เป็นเรื่องมือของทีเลชเดียว่าเป็นนักโทษของทิเดชก็ได้ เป็นเครื่องมือของผู้อืนกันั้นแต่เครื่องมือของธรรมเป็นเรื่องของธรรมนี้เหนือกีเลสทั้งหมดเห็นหมดั่นม so well like ันต่างกันเลยนะเพราะที่เจ้าสอนเราสอนมันจะสอนด้วยความมิกิเลสสอนด้วยความพ้นกิเลสแล้วเหนือกิเลสแล้วพวกเราสอนกันสอนอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเนมันผิดกรรมยังี้นะมันก็อยู่ไปตามแถวตามแนวของกิเลสอะไรความรู้เรับนักปานฉลาดแหลมความนันไหนมันก็เป็นพ้นของทุกข์ที่กิเลสเจียดหยิบย่ำจนได้มันเลยเพราะไม่เหนือมันนี่งถ้าความรู้ของธรรมที่ปฏิบัติ ทางใจจนสุดขีดแล้วความรู้อะไรเป็นความรู้ที่เหนือเกียรติทั้ทงนั้นเป็นสุดได้เป็นสุดได้ยังเขาเราเรียนธรรมะเนี่ยท้าเรียนอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเกียรติเกษเรีย น, นไปสอบได้ทยนักาำตรีนักคำโทรครับเรียนมหาปรียนญีาประโยชน์นี้ก็ภูมิใจว่าตัวเรียนรู้ได้ธนาเน้นนั่นมันแบกเกียรติแล้วนะเดีวเวลาอยากจะรู้มันก็ขึ้นเวที ก, ก่อนฟาดกันก่อนเกียรติเหล่านี้พังลงไปจะรู้ว่าอ๋อเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องของเกียรตทั้งนั้นแต่มันก็รู้ทั้งทั้งตก่อนภูมิใจไม่รู้้นนนะ่าาเเววลลหือมมััแรู้ เห็นความงงของตัวเอง่พูดง่ายมันเคยงงมาอย่างไงตอบกฎมายาของจีนเวลามันเหนื่อยมันจำกวรู้ของอย่างนี้สอนกันได้ไม่เจ้าคะรูอต้องของอย่างนี้สอนกันได้ไม่เจ้าคะรู้ต้องฝึกเองสอนให้ฝึกสอนกันนะสอนเฉยเฉยไม่ฝึกไม่เอาอย่าสอนเอ เข้าใจา<อ>แต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการสอนเนี่ยฝึกด้วยตัวเองนีมีทาก็มีการแนะอย่างนี้แล้วดีที่อย่างสอนนี่ได้เหมือมีการแนะกันอย่างนี้ถ้าไม่มีจริงๆ ม, มันก็ทําไม่ได้คนเรานานะอ่ามันไม่เหมือนกิเลส น, นะกิเลสไม่มีมันก็มีไม่ต้องมีครูสอนไม่ไมีครูสอนมันมันเป็นไปเองแต่ธรรมะนี่ก็มีครูสอนมันผิดกันตรงนี้เนี่ยผิดกัน<อ>กล า, างหนูัง เหนื่อยหรือยังเจ้าคะอ๋อเฮ้ยพื่อนไอมีพอความใจตรงไหนอีกบ้างรึขออย่างถ้าถ้าถ้าพอก็อยู่ที่ทางนี้ถ้าอยากให้พอท่านจะท่านอนุญาตนะท่านจะเต็มที่ท่าให้เต็มที่เลยอจะได้มาแล้วจะได้ไม่ไมเสียเที่ยวโดนเที่ถามไม่จบก็ดีเลื่อนตัวว่าเดี๋ยวโดนเบรกอันนี้ถามใหม่เจ้าคะทําไมวัดนีไม่มีวัตถุมงคล ให้ให้แบบคนมาเขาเรียกแบูชาเช่าไปบูชาโอ้โหรายได้ที่ช่วยชาติเป็นพเนินเลยจะพูดอะไรโอ้ยอันนี้อย่างสารภาพหลวงตานี่อํานาจยักษ์หนาน้อยไม่มีวัตถุมงคลเนีลยต้องต้องต้องการมันแต่ใหัวใจเป็นมงคลอย่างเดียววัตถุเป็นมงคลนี่หลวงตาไม่สนใจพ่อพรที่เจ้าก็เลยพาสนใจกับวัตถุมงคลยิ่งกว่าหัวใจเป็นมงคลข้าราชเข้าใจหรือยัง หม้อะต่เดิมมงคล น, นั้นขังมากนะวัตถุเป็นมงคล น, นี่มันทําคนให้ทนงหรือเนื้อหรืนตัวห้อยคอพระเขาไปอยู่นี่นะพระห้อยคอไปนี้ก็เลยเลืถึงพุโทโธว่าตัวมีพุโทโธแล้วหมวกมีพระแข็งแข็งแล้วเนี่ยมันสาคัญไปแล้นั่นอย่างนี้มันมีตึกของนั้นแข็งนอกนอกนี้่แขังไหนไม่มีมีแต่แข็งนอ ก, นอกพอเห็นกันแล้วเอาพระออกหัวนี่พระรุ่นนั้น้พระรุ่นนี้เ่ นี่จะพระรุ่นนั่นรุ่นนี้จะขอมาทราบรุ่นไหนยูยูไม่สนใจยดี๋วมีอะไรอีก่ะเดยวนี้หายข้องใจแล้วยังที่ถามเมื่ะกี้นี้ครับตอบไปนี่หายข้องใจแล้วยังเจาะใ่ไหมสนุกดีมาก่ยมันสนุกดี ซาบซึ้ธรรมดาเดิไปสัมภาษณ์ที่ไหนเนี่ยพูดเป็นต่อยหอยวันนี่ซาบ้งนะขาอะไรไม่ออกหญิงบกซาบซึ้งมากมองได้ยขาอะไรนี่ออกอ๋อคำบาปุตเจ้าคำใช่ไหมนี่จะพูดถ้ามันมีคำถามเราก็จะพูดเป็นคําสุดท้ายนะคำบาปุตเจ้านี้ไม่ใช่คําแบบที่โลกโลกเห็นรู้รู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ดีนะ อันนี้มันเป็นเรื่องของจริตทั้งนั้นที่โลกคุกเข้ากันอยู่เวลานี้ขยี้ขยำกันอยู่นี่มันจะเรื่องของเจเลตทั้งนั้นเหมือนกับ อ, ข, อขยี้ขยําขี่มูราขี่มาแห้งเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มมังสารท่องคําตั้งแ ท, งท่งมันไม่มีในหัวใจพระพุทธเจ้าท่งท อ, องคําตั้งแท่งนี่กลับมาดูมูดยู่พูดมันต่างกันยังไงความรู้พระพุทธเจ้าความทรงอยู่แห่งธรรมของพระพุทธเจ้ากับความรู้กับความทรงอยู่ของพวกเรานี่ต่างกันยังไงเพียงเท่านี้เพาเข้าใจไม่เช่อเยอะนั่นระเนื้อขนาดนั้นนระเหนือโลก ท่านถึงเลยท้อพระไถ่เวลาตัดทูลแล้วโอ้โหทั้งทั้งที่เราปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกเวลาพอตัดรูลุฝนไม่มาแล้วท้อพระไถ่ก็สอนไปได้อย่างไหนหนาแน่นขนาดนี้แล้วจะสอนไปได้ไงน้ําผเนตรก็ร่วงเลยก็สงสารโลกแต่ว่าในขณะนั้นว่าสุภิสัยที่จะสั่งสอนโลกเพราะมันหนาซะจนเกินไปสุภิสัสยที่ทําเหล่าเนี้ที่เหนือโลกที่สุดนี่ยใครจะอาจเอื้อนถึงได้ เรามารู้อย่างนี้ก็เป็นเครื่องอัศจรจําพอแล้วจึงกปิดความเข้าใจจากนั้นมาก็ทรงทบทวนถึงเรื่องอุปนิสัยใจคอของสัตว์โลกนั่นมีต่างๆกันกที่นี่เราเทียบนะก็เหมือนภูเขาทั้งลูกเนี่ยมันหนาแน่นไปด้วยกิเลสทั้งนั้นภูเขาทั้งลูกนี่คือกิเลสทั้งภูเขาเลยแล้วสิ่งที่เป็นสาระคุณพุทธิยืนพ้นออกจากภูเขานี่มีอะไรบ้างมีแร่ธาตุต่างๆมีต้นไม้มีวัตถุต่างๆ ที่พอจะหยิบเอามาเป็นประโยชน์ได้ก็ไปเชื่อถอดแต่ถอนเอาตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นนนนนมาเป็นประโยชน์แต่จะยกภูเขาทั้งลูกนั้นที่เหลรมันห่วงมากยกไม่ได้นี่พระองค์ก็พิจนารณาแล้วผู้ที่มีปณิสัยปัจจัยที่พอจะรู้จะเห็นได้นี่ยังมีอยู่ไหมพิจนารณาอ๋อมีก็เหมือนอย่างวัตถุต่างๆที่มันแทรกในภูเขานะ่ยอันเป็นสารามันมีอยู่พระองค์ก็จึทรงเรียนญาณแล้วหนีแล้วมแวาแนะนำสั่งสอนโลกแล้วก็หยิบเอาไปถอนเอาไปถอนเอาไปเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นนะ พระพุทธเจ้าแต่ละบวงมานี่มาสังสอนโลกนี่มาถอนเอาสาระสําคัญสาคัญจากโลกจากบุคคลแต่ละหลายละลายออกไปออกไปส่วนที่มันหนาแน่นจริงๆมันเป็นภูเขาทั้งลกูกนั่นที่เดถึงห่วงมากก็เป็นละปลอดให้มันเสียเนี่ยนั่นแหละความเป็นเลิศเลยของพระพุทธเจ้าขนาดนั่นแหละจนขนาดที่ว่าจะสอนโลกมาได้อันนี้วิเศษขนาดไหนจนกระทั่งว่าสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้กระทั้งที่พระองค์ก็เคยครางโลกแบบนี้มาแล้วเหมือนกัน แต่พอมาเห็นแล้วเห็นมันหนาซะจนเกินไปท่านท่านดีตก่อพระองค์ก็หนาเหมือนกันแต่พระองค์ทำไมไม่ว่าหนาตะก่อนเวลามาเห็นอของเลื่อยของกระสุนแล้วที่นี่เห็นโลกนี้มันหนาขนาดไหนนันเป็นอยั้นพระองค์ก็รงสั่งสอนมาเรื่อยมานี่ย 2,500 ปีเดี๋ยวนี้ต่อไปก็ 25,000 ปีคือนี่พระอวราชที่วางไม่เป็นบันไดเป็นแนวทางเดิน 5,000 ปี ชัดโลกทั้งหลายจะเลือกพระพุทธพเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แะเลือกถึงบาปทึงบุญได้แค่ห้าพันปีจากนั้นที่เลสจะคกินหมดไม่มีอะเหลือและเลือกพุโทโธไม่มีคำว่าพุโทโธธรรมโมสังโธไม่มีความหมายในใจคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีความหมายในใจตามความจริงที่พระเจ้าทรงให้คว้แก่เเป็นความจริงอย่างนั้น แ, แต่จะไม่มีความหมายในใจหัวใจศักวิ์ชัดจะหมุนไประจานกิเลสปัญหาทั้งนั้นเลยนั่นแหละชัดจนาำหมดหม ด, หมดที่หัวใจสักด์โลกต่างหาก ไม่ได้หมดที่คำพีไบลานั่นหมดจากหัวใจโลกขาดความนักถือทุกอย่งทุกอย่างสนใจกับที่เดียวหมุนติ้วเป็นเป็นโกงจักไปเลยนั่นแหะศาสนาหมดหมดตรงนั้นเข้าใจนี่เราเป็นอย่างนัะ น, นั่นเราาสนามเลิศด้วศอย่างนนเพราะฉะนั้นนานจึงไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตัดสลูเพราะเป็นของที่อุบัติได้ยากที่สุดทำนี้เลิศเลยที่สุดแล้วจึงนานๆนี่พระพุทธเจ้ามาตัสรูเจะองค์หนึ่งองค์หนึ่งแต่จะตัดสลูแต่ระบบสร้างพระบาบรมีมาสัก เ, เท่าไหร่ ที 16, ่หอกงไขแสนมหากับแปดงไขแสนมหากรัปสี่กงไขแสนมหากับ 4, าสมามประเภทของพระพุทธเจ้ 16, าอย่อะแปลว่าอะไรที่หกกรงไขคือถ้าเราไปามศัพท์วันนี้ 16, นนว่าที่หกกระงไข่เปว่านับมาได้ถึงที่หกครั้งนับมาได้ถึงที่ครั้งนับมาได้ถึงแปดครั้งนับมาได้ถึงสี่ครั้งและยั ง, งที่เหลือไปอีกยังแสนมหากับอีกนะ แสนหากับแสนหากับด้วยกันน of right? the ี่ก็เสดระไปอีกเสดระจางนับไม่ไ like. ด้อีกยังเลยนับไม่ได้ไปอีกนี่แหละเสดระองค์นานขนาดไหนถึงขนาดนั้นกว่าจะได้เป็นดูเจ้าเสดระพระองค์ในนานขนาดนั้นถึงได้อุบัติขึ้นมาเป็นดูเจ้าหรือสั่งสอนโลกสั่งสอนโลกก็เป็นไปตามนิสัยวาสนาของแต่ละพระพุทธเจ้าเสดระพระองค์เพราะนิสัยพระเจ้าวาสนาพระพุทธเจ้าเสดระพระองค์ก็ไม่เหมือนกันนะมีสูงมีกต่มต่างกันอันดับแรกคืออาชงจมูกอาชงไขแสนหาตับนี้มี อนุภาพมีวิญญาอนุภาพมากที่สุดเปรี้ยวว่าเป็นอันดับหนึ่งอายุขยก็สูงแปดหมืนปีเก้าหมืนปีท่านบอกไว้ในตำราพุทธวงศ์แล้วแปดจะต้องขยีน้นเรานำแบบกันมาสีาจ่จะ้อขยีนี่เรียกว่าวัฒนาความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันแต่อำนาจวัฒนาในการทำประโยชน์ให้โลกนี่นมีด้อยต่างกันอ่ะอันนี้ท่านแสดงไว้ในพุทธวงศ์ วงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านแสดงไว้อย่างนั้นเนี่ยแต่ละพระองค์ที่จะมาจัดสรุนนี่สร้างทุกขยัยสร้างบา ร, รมีมานานขนาดนั้นไม่ใช่ของหึเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นเวลาจักสรุแล้วจริงถึงแดนอนภะิสิทธ์เลื่โลเหมือนหนึ่งว่าไม่มีใครจะเอื้อมถึงว่างั้นเดินนะแต่ก็เอื้อมถึงจนได้ด้วยทางเดินที่ทรงสง่งสอนไว้แล้วดีค่อยๆเดินไต่เต้าไปก็ถึงเองถึงเองเช่นพรว่าทาํานสงสอนเนี่ยแนะนํำสง่งสอนไว้อย่างในอัตยธรรมบ้านแสดงไว้นั่นคือแนวทางทั้งนั้นแหละให้ดำเนินตามนั้น แต่ถ้ามันดำเนินตามยุแบบกังพีจนหลังหักมันก็ไปเกิดประโยชน์อะไรพูดปฏิบัติตามต่างหาที่จะพูดจะได้รับประโยชน์เท่านั้นนะ น, นะหลือมีอะไรอีกละ่ะวันนี้เอากันตัวใหญ่จนนะ <c oughs> แล้วกต่อตอนนี้เก็จะได้ให้สีให้ฟอนต่ <c oughs> างเวลาจะเอาอะไรถวายไว้เนี่ย้านล่าเลือนะ <c oughs> แล้วทีนี้เอาเอาดอนล่าแล้วพีนะเอาทาก็ให้แล้วให้ทำเลยแล้วท้นี้เอาดอนล่ากลับมาเอารวมเอาเนี่ยโครงการเอารับรับปรุงการรับผอรับได้รับตลอด ทคท่าไหร่หนึ่งบาทหบาทอ่าอหนึ่งบาทครับผมหนึ่งบาทครับหนึ่งบาทตัดีครับนี่เห็นไหมฝนตกทิระหยดอย่ยางเนี่ยจะทำฟองคว้ามหาสมุทรเต็มได้ด้วยฝนทิระโยดละหยาดตกไม่ขอยเป็นอย่างนั้นนะ่ะเต็มได้้องคว้ามหาสมุทรเต็มได้ด้วยน้ําที่ตกทิลยหยดละหยาดเนี่ย เรามั่นใจว่าคราวนี้เมืองไทยเราจะไปรอดแล้วก็อยากจะพูดไว้อยู่ด้วยว่าถ้าไปคราวนี้ไปไม่รอดได้ตั้งตัวไม่ได้แล้วก็ไม่ทราบว่าคราวไหนจะไปได้รู้สึกจะหมดหวังว่างั้นเลยเนะพราะฉะนั้นเอาข่าวที่มันควรจะได้นี้ให้ตักตววตักคนตักตักตัวให้เต็มเหมนียวนะศาสนาพระมหาก็ตัดเต็มภูมิแล้วที่นำพวกเราทั้งหลายให้รับ ความร่มเย็นแล้ให้กำลังใจให้ความอบอุ่นแก่พวกเราที่เต็มผุ้มแล้วนะนี่คือพวกเราจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านนั้นนะเอาให้เมืองไทยเราพื้นฟูขึ้นมาให้เมืองนอกที่เขากำลังจะขี้หน้าเราอยู่นี่ให้เขาได้หงายหน้าแหม้นหน้าดูไปเลยว่าอาลไรนะอาจารย์ท่านจะให้พรพ ร, รับมีอะไรอยู่ยําแบบจําแบงคนที่จะอ่านนะขอพรที่คนจําแบบคนอ่านท่านจะให้ท่านจให้บทไหน เขาขอพรก็ผลเขาขอพรฉันรอดีอ่าต่อบนอ่านก็ได้รับรับพรด้วยให้หมดแหละให้หมดแลลวลงมาให้ให้มดมันเสดายเนี่ยยะภาวาริวาหาติราภารโอเรติสาคารเมวเมวอิโตชินนางเตตานาฝภะกัปติจิตังปฏิตังตุม้ังคิตเมวสมิชาโต สัพเพปุเรตูสังกปาจางโทปนะระโสยะ า, ามนิโชติระโสยถ า, าสัพพีติโยวิวาจานตูซาพรโรโควินัสตุมาแต่ภวัตมาราโยสุขีที่ฆายุโกภะอภิวาทนศสีลิจนิ จ, จังมุทภาพายิโน จตารอธรรมวาทานเตะอายุวันโนสุทางฮาลานถือว่ามีจต่ทางคุณหญิงถามหลวงต า, า, าก็ควรจะมีคำถาม ถ, ถ, าถ้าทำบ้างท่ <c oughs> าที่ไดส้สนทนากันมาตั้งแต่เริ่มแรกได้มาพบปนี้แล้วจนกระทั่งวาระสุท่ายนี้แล้วดูในลักษณะท่าทีดูกิริยาท่าทางของหลวงตาแล้ว พอจะมีเข้าแห่งความเป็นผู้นำได้บ้างไหมขอถามอย่างนี้แหละจะตอบรื่อยไปแล้วแต่เเอาไปได้นิดเดียวไม่สมควรตอบแน่นอนอยู่แล้วหนูไม่สมควรตอแต่หนูอยากขอพรก็มี่คั้งนู้นล่อยท่าเดียว้านี้ไม่ล่อยแล้วหนูต้องต่อยบ้างเจ หลวงตาเจ้าค่ะนึกอยากจะขอพรพิเศษนอกเหนือจากเมื่อกี้นิดหนึ่งคือว่าเราสองคนจะสามารถเขียนได้ให้ถึงใจคนอ่านเจ้าค่ะเอาเอาเอ า, เอาให้สามารถนะถ้าไม่สามารถกลับมาอีกบอกข้ <laughs> ามา <laughs> บก ท, ท่องตรงไหนคราวนี้จะสอนอีก เ, <laughs> เอาขึ้นไปต่อต่อพรกันดีเอาจะได้ชดนะกลับลงมาเอาแล้วนะ กองคำยังไหลมาเลยนี่แหละเขาก็ต้องเต็มตื้นขึ้นเรื่อยๆเยื้ๆทางนี้มาทางนี้มาทั่วประเทศแล้วก็เต็มตื้นเลยครานี้ไม่พอข้าวหน้าเอาอีกคราวนี้ไม่พอข้าวหน้าเอาอีกหมุนด้วยหมุนเรือยก็พอเหมือนเราละพังเลยไม่ฟ้นไปได้ในมือมือของชาวไทยเราดิฉันมีความคิดอันหนึ่งนะเจ้าค่ะว่า พอได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราประกาศให้คนรู้มันเหมือนว่าพอได้เยอะคนก็มีกําลังใจที่จะพิ่มเมื่อตอนตัวเงินตัวสัตว์อย่างนี้ว่าจะประกาศให้ฟังเป็นระยะระยะไปเมื่อของจะเข้าคําหลวงเมื่อไรแล้วทั้งเงินทั้งดนหน้าทั้งอะไรเ้วก็ประกาศให้ฟังบปนระยะระยะไปว่าคนนี้เข้าทั้งนั้นเข้าทั้งนั้นเข้าทั้งนั้นเป็นระยะระยะไปเลยดิดิฉันขอหนูหนูขอข้อมูลด้วยจะได้ประกาศในจอสอร้อย ซึ่งก็ในแวดวงกรุงเทพเท่านั้นก็จริงแต่คนก็ฟังเยอะเขาเวลาเนี่ยเงินยังยังไม่ได้มากเพราะเงินเราพิ่งเพิ่งเริ่มอยู่นะก็ยังไม่ไดมากแต่จะไม่พอพอถึงเวลาแล้วเจ้าถึงเวลาแล้วจะออกเองนะถึงเวลาแล้วจะออกเองเจ้าค่ะคือเวลาที่กําลังกันกองทุกถึงทุกอย่างเช่นทองชื่อก็เป็นต่างประเภทนี้นะเราจะหลอมเป็นทองแข่งก่อน เวลานี้มันยังไม่พอเราก็ต้องรอจังหวะซะก่อนเมื่อพอแล้วที่เราจะหล่อเราก็จะหล่อแล้วเข้าเป็นทองแ้่งทองแท่งเมื่อต้องควรที่จะมอบเมื่อไหร่แล้วเราก็จะมอบเมื่อมอบแล้วเราก็จะประกาศตามที่เรามอบแล้วจํานวนเท่าไหร่เส้นทองน้ําหนักเท่าไหร่เราก็จะประกาศเงินซึ่งบประมาณนี้ได้เป็นเท่าไหร่แล้วเราก็จะประกาศเป็นระยะระยะไปที่เราเราทางทางครอบครัวของหนูก็มีมีสื่อสองสาอันที่พอจะทําได้มันนี่อะไร ไอ้สื่อจะให้ให้ประชาชนในประเทศเทราบครับผมประกาศเลยเป็นมหาบุญสมอย่างแรงการ้าเลยนะการออกนักช่วยภูมิกับประกาศน้กช่วโลกดินแดนทราบนีเราจะมีหูแจ้งตาสว่างเป็นหูชึบตาทึบสว่างเจ้าไปหมดนะ เ, เปน็นนี่เป็นอานิสงส์อย่างนั้นจริงจเนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะคือพูดตามหลักเตือนของคำนี่คือมีหูแจ้งตาสว่างมีหูชึบตาทึกคือตาตา ตาธรรมลาเนี่ก็มองเห็นตาชื่อก็ยิ่จะมองเห็นลึงเหมือนตาพระพุทธเจ้าตาพระอรหันต์ท่านบางองนะท่านซ้งทาน้งทามือหูจตาจเพราะอานาจทางการท่านท่านสร้างความเหล่าเนื้อทำเหลื่มนไว้ท่านประกาศท่านโฆษณาท่านนะนำสั่งสอนคนท่านรู้แจ้เห็นจริงทั้งตะเวนภารวาสด้วยกันนะท่านเป็นผู้นา ท่านเป็นผู้พาเสียนั่นแหละท่านเป็นผู้ประกาศตํางวานเรื่องกองบุญกองสนต่างหลายที่นี่เวลาอ น, นุสงทั้งเกิดมาเนี่ท่านจะมีหูทิดการชิดมองเห็นได้ไกลรู้ได้ไกลกว้างขวาง ม, มากนี่เราก็ให้กํานมาพากันทําแล้วทางโน้ม ท, ทางแดนสวรรค์นั้นอาจจะลาบบัญชีของเราไปแล้วก็ได้ท่านอันนี้แห้ะคือผู้ที่จะไปตํางวานอยู่ที่แดนสวรรค์นะว่างั้นนะอ๋อ <c oughs> อืมหน้เสริมตามนั้นแล้วมันจะตั้งอยู่คงจะตั้งอยู้มันเวลาที่เขาจะขน้แล้วเขาจะเอาเงินเงินอะไรเนี่ยเงินเปล่าเงินนี่งนี่เอไปแล้วก็บอืมอ๋อไปแล้วเนี่ย ตอนนี้เราถ hai, ่ายภาพร masa, urgency, er, ้อมเสือครับ huh. ถ่ายไปแล้วครับผมถ่ายภาพความได้เสีางครับได้เสียงครับผมไปทุกสิ่งครบแล้วในวันนี้ครับเกันชื่อแล้วที่ยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นในภาพแล้วเนี่ยครับผมอืการแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ยินได้นั้นเข้ามาได้ครับผมโจโจโบกครึ้นนะ ประมาณชั่วโมงครึ่งผมว่าตั้งแต่ขึ้นมายังยังไม่ได้ยกคือเลยนัก่อยเลยต่อยเลยขึ้นมายังไม่ได้ยกคูอเลยเราไม่ต่อยเลยถังถังออกเลยเจ้าหืมเ็นห์ฮะก็คงคงดีใจฮะเพราะธรรมะธรรมะแบบนี้ไม่ได้ออกบ่อยๆแล้วก็แล้วก็ผู้ฟังก็ไม่ได้ฟังบ่อยๆอืมวันนี้เป็นยังไงวันนี้ฟังโอ้ยก็เด็ดขาดเนี่แบบนี้ก็บเครื่องบินที่หลวงตาเคยเปรียบอะไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นเหินเลยเหมือนฟ้าไปเรื่อยทีนี่ย เราอาเนี้เอาคนนันให้ไอ้นันมันขนาไปเจ็บจ้ะมีอได้มนเ็บขนคนเอามี่แค่ค้นเาหวังเหรียญหลุดนะเหรียญก็มีเหรียญนมอยู่ทางนี้เหรียลมีเหรียญด้วยติดเรียญค้นดูนะตุ๊กตานนะตุ๊กลนะนี่กกนี่ก็ด ผมไม่ขอกาอนุญาตถ่ายรอบๆบริเวณุทิเนี่ยครับขอขอถ่ายรอบๆพุทธิก็ผมถ่ายได้แล้วถ่ายไปลอนุญาตแล้วท่านญาตแล้วถ่ายไปอันนี้ผมจะพอใจกันมากเลยนะครับผมธรรมะเลยธรรมะถึงใจก็เคยได้ยินอย่างนี้เลยนะครับผมที่ญาอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นก็เป็นตามอุสาหะอดทนเหมือนกันครับเขามาตั้งแต่เช้าครับผมตอนหลงตาชันยังหันเจ็จ ก็มาถึงมาถึงก็หลวงตาเข้าเข้าฝุดแล้วก็ออกไปแจกทานเขาก็รอครับผมอืมขณะที่ร อ, อก็ใจเต้นตุตต้มตุ้มต้อมตมว่าหลวงตาจะกลับเมื่อไหร่อืมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจะมีโอกาสได้ได้พบหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเขต้องกลับวันนี้ครับผมขับเครื่องบินเที่ยวเที่ยวเย็นเนี่ยครับเที่ยวเย็นก็พอดีได้หนึ่งครับอันนี้ห้ามมาถามห้าเขาเยอะครับผมคดี้เลยนะครับครับอืม ก็ใส่เทียงเลยครับผมพอดีเลยวันนี้เหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมแล้วครับผมดังนการโต้ตอบวันนี้โอ้ดีครัก็เนี่ยก็มีผู้ถามอย่างเงี่ยหลวงตาต้องมีผู้ถามหลวงตาก็ตอบไปเขาเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่ว่าท่านจะคุณธรรยุติยนดีท่านครับผมแล้วมัไม่มีมีแต่เทศแล้วเป็นยกเทศเป็นที่หนึ่งเคยเหนครับแต่ต้องไม่มีปัญหาเลยถ้ไมีปัญหาเคอเป็นที่หนึ่งในการตอบปัญหาโอ้เจ๋งมากเรายกให้เลยครับผมรวดเร็วที่สุดด้วยว่ากันสับปะผงเลย นี่อันนี้มันแก่แล้วนั้นนี่นะทำไม่ได้เรื่องเลยเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันพร้อมเนี่ยพอพัดดีบผึงอันตรีเลยเดี๋ยวนี้มันมันแก่แล้วมันก็ขนาดขนาดที่หลวงตาว่าแก่นี่ก็ผมก็ว่าไม่มีใครสู้แหละครับดูดูแล้วเนี่ย <c oughs> เพราะว่าไม่เคยมีได้ยินอย่างนี้ <c oughs> เขาเป็นงงตั้งแต่ไหนแล้วเขาไม่เคยยินคำประการไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เคยครับแล้วก็เขาก็ รักษาโรคภาพ์ที่แล้วว่าปกติเขาไปถามแพทย์ผู้อื่นเขาก็พูดถามเอาถามเอาถามเอาอืมแต่อันนี้เขาถามแล้วก็บน้องตา ก, ก็ตอบตอบตอบจนหมดคําถามเขาเชื่อในกกันทั่วประเทศไทครับผมเรามั่นใจว่าจะเป็นไปได้เนี่ยคราวนี้คราวนี้เป็นไปได้แล้วจะหมดหลังนะครับผมจะไม่มีใครนําอีกแล้วอะไรนี่มันจะตายพอปล่อยนี้แ ล, แล้วก็ปล่อยเลยครับผมแล้วจะไม่อะไรอีกแล้ว แล้วก็ช่วยเป็นเหมี่ยวทำกับมันช้า